ชีวิตของพลอยดาเนินไปเช่นที่เคยเป็นมาภารกิจสำคัญก็คือเลี้ยงลูกดูแลบ้านดูแลสามีข่าวคราวของโลกภายนอกพลอยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้มาจากคุณเปมรมพลอยรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหรนะ่นักคิดเสว่าเป็นเรื่องที่ฝรั่งเคารพกัน พลอยรู้สึกว่าฝรั่งรบกันจะมาเกี่ยวอะไรกับคนไทยแต่เมื่อสงครามดำเนินต่อไปพลอยก็รู้สึกว่าข้าวของต่างๆาเริ่มมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากภายนอกและในระยะหลังๆแม้กระทั่งของที่ทำในเมืองไทยก็ดูเหมือนว่าจะมีราคาแพงตามไปด้วยทั้งของกินและเข้าศสารพลอยมีหน้าที่คุมรายจ่ายทางบ้าน ก็ได้แต่นั่งดูรายจ่ายที่สูงขึ้นด้วยความหนักใจวันหนึ่งพลอยก็ถามคุณเพรมว่าทําไมข้าวของถึงแพงเหลือเกินคุณเพรมก็ให้คําตอบว่าเป็นเพราะฝรั่งรบกันพลอยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าฝรั่งรบกันแล้วเกี่ยวอะไรกับคนไทยด้วยฝรั่งรบกันอยู่ตั้งไกลแล้วทําไมถึงมีผลกระทบ ต่อคนไทยซึ่งก็อยู่ไกลแสนไกลในความคิดของพลอยไม่น่าจะเกี่ยวกันคุณเปรมได้ฟังความรู้สึกของพลอยก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาก่อนที่จะอธิบายว่าจริงๆนะแม่พลอยเพราะฝรั่งรบกันของนอกมันก็ต้องแพงของในนี้มันก็แพงไปตามเพราะคนไทยเราใช้ของนอกกันมาก แต่แม่พลอยก็อย่าวิตกไปเลยเงินทองเราตอนนี้ก็หาได้มากกว่าแต่ก่อนฉันก็ยังไม่ได้บอกแม่พลอยไว้จะใช้สอยทางบ้านเท่าไหร่ก็ใช้ไปเถอะเพราะทางค้าขายของฉันหาเงินได้คล่องก็พอถัวกันไปนั่นมันคนละเรื่องคุณเพรมทํามาหาได้มากมันก็เป็นของดีแต่ต้องจ่ายมากฉันก็ไม่สบายใจวันหนึ่งๆได้แต่นั่งดูเงินไหลออกจากบ้านผู้คนที่ต้องเลี้ยง ก็หลายปากหลายท้องฉันก็อดใจหายไม่ได้แม่พลอยอดใจเอาหน่อยเถอะฉันว่ารบกันไปอีกไม่นานหรอกอีกหน่อยเยอรมันก็จะชนะคุณเปรมรู้ด้วยเหรอว่าใครจะชนะเอา้าทําไมฉันจะไม่รู้ฉันฟังข่าวอยู่ทุกวันคราวนี้เยอรมันชนะแน่คอยดูไปเถอะอังกฤษฝรัง่งเศสจะแย่ก็คราวนี้แหละฉันเอาเยอรมันเป็นต่อทีเดียว คุณเพรมพูดเหมือนยังกับว่าเข้าข้างเยอรมันก็เห็นจะจริงอังกฤษฝรั่งเศสมันใหญ่โตมานานแล้วเคยเล่นรังแกเราแต่เยอรมันก็ไม่เคยทำอะไรเลยคราวนี้จะได้เห็นกันหลักคุณเปรมทำตัวเป็นฝ่ายเยอรมันไปเรื่อยๆทุกครั้งที่พูดกันเรื่องสงครามคุณเปรมก็จะต้องยกย่องฝ่ายเยอรมันว่าเก่งกาจแล้วก็รบเก่งกว่าฝ่ายพันธมิตรอาวุธก็ดีกว่าฝ่ายพันธมิตร เยอรมันตีเมืองอะไรได้บ้างคุณเปรมก็ต้องเก็บเอามาบอกจนพลอยที่เกลียดแต่จำเพราะชื่อต่างๆนั้นฟังคนเดียวก็ลืมนะคะจำยากคุณเปรมเป็นฝ่ายเยอรมันอยู่นานแต่แล้วก็ค่อยๆเสียงเบาลงไปจนพลอยผิดสังเกตวันหนึ่งคุณเปรมกลับบ้านมาแต่วันพอมาถึงบ้านยังไม่ทันจะผัดเสื้อผ้าก็รีบมาหาพลอยแล้วก็บอกว่าแม่พลอย เมืองไทยเราประกาศสงครามแล้วงั้นสวยคุณเพรมแล้วแล้วยังไงล่ะพลอยงงคุณเพรมได้ยินพรอยถามก็ชักจะงงเหมือนกันแต่ก็ตอบว่าเอา้าก็เข้าสงครามยุโรปคราวนี้ด้วยน่ะสิแม่พรอยเข้าข้างไหนเข้าข้างฝ่ายพันธมิตรน่ะสิเมื่อคืนตำรวจออกจับพวกเยอรมันกันทั้งคืนนี่เขาก็คุมตัวเอาไว้หมดแล้ว ทรัพย์สินเยอรมันเขาก็ยึดหมดอย่างห้างบีกรินและก็เรือเยอรมันอีกตั้งหลายลำอ้าวก็ไหนคุณเปรมว่าเยอรมันจะชนะยังไงละ่ะไปเข้าข้างอังกฤษฝรั่งเศสจะไม่พลอยแพ้ไปด้วยหรอคุณเปรมเหลียวดูข้างหลังเหมือนกลัวว่าจะมีใครมาแอบฟังแล้วก็บอกกับพลอยว่าพูดเลวไห ล, หลกันไปทั้งเพใครๆก็รู้ว่าพันธมิตรเขาต้องชนะเพราะเขาเป็นฝ่ายถูก เยอรมันเป็นฝ่ายผิดก็ต้องแพ้ไปเองคอยดูไปเถอะทีนี้ไม่พลอยอย่าไปพูดอย่างเมื่อกี้นี้ให้ใครเขาได้ยินไปนั้นขาดเทวนาจำเอาไว้ว่าเยอรมันน่ะเป็นข้าศึกของเราใครเข้าข้างข้าศึกเป็นเสียคนแนะ่ๆนะตั้งแต่นั้นมาคุณเปรมก็ทําตัวเป็นฝ่ายพันธมิตรอย่างแข็งแรงพูดถึงเรื่องสงครามทีไรก็มีแต่ฝ่ายพันธมิตรว่าพันธมิตรเนี่ย จะต้องชนะอย่างเด็ดขาดบางทีก็มีข่าวพ่ายแพ้ของเยอรมันมาเล่าให้ฟังเพื่อสนับสนุนความเห็นของตนเวลาพูดถึงเยอรมันคุณเปรมก็จะใช้ถ้อยคํารุนแรงเรียกว่าไอ้ศัตรูบ้างไอ้ฆ่าสึกบ้างหรือเรียกว่าไอ้หั่นบ้างซึ่งคําหลังนี้คุณเปรมอธิบายว่าเป็นคนป่าชนิดหนึ่งมีความโหดร้ายทารุณปราศจากศิลธรรมของมนุษย์เหมือนกับพวกเยอรมันสมัยนี้ เมือ่อทางราชการประกาศเรียกทหารอาสาจะส่งไปสงครามยุโรปคุณเพรมก็ตื่นเต้นอีกพักใหญ่พูดถึงเรื่องที่ไทยจะไปรบด้วยสายตาเป็นประกายแม่พลอยฉันเสียดายจริงๆที่ฉันมันแก่ซะแล้วนี่ถ้าเป็นเด็กหนุ่มแน่นเหมือนเมื่อก่อนฉันต้องอาสาไปรบด้วยคนเป็นแน่ๆทีเดียวพลอยอดรนทนไม่ไหวก็เลยต้องขัดขอคุณเปรมว่าคุณเพรมนี่ฉันตามไม่ทันหรอก เดี in out, ๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็หน like ุ่มนึกจะแก่เอาตามใจบทจะหนุ่มก็หนุ่มขึ้นมาเฉยๆพิลึกล่ะคุณเปรมหัวเราะเรื่อยไม่โตตอบว่าอย่างไรแต่ความตื่นเต้นของคุณเปรมก็ไม่ได้เบาบางลงไปวันที่ทหารอาสาจะไปนอกคุณเปรมก็หายไปทั้งวันกลับมาตอนดึกได้ความว่าไปส่งทหารอาสาแล้วก็ชวนพลอยคุยถึงเรื่องไปรบทัพจับศึก เรื่องพิธีปฐมกรรมตัดไม้ขมนามตามที่ได้เห็นมาซึ่งคุณเปรมเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทสงเครื่องแดงถือพระแสงแบบโบราณที่งามนักงามหนาเรือดนักกลบร้อนประอุขึ้นมาในตัวคุณเปรมอย่างที่พลอยมิได้เคยรู้เห็นมาก่อนทําให้พลอยทั้งขันทั้งรําคาญในใจเกินึกแช่งให้พันธมิตร เป็นฝ่ายแพ้เพราะอยากจะดูว่าคุณเปรมจะตีสีหน้าอย่างไรมีได้คิดอะไรเกินไปกว่านั้นแต่พอทหารอาสาออกจากเมืองไทยไปไม่กี่เดือนคุณเปรมก็หน้าบานกลับบ้านแต่วันรีบตะโกนเรียกพลอยเอะมาจากข้างล่างทำเอาพลอยตก อ, กอกตกใจนึกว่ามีเรื่องอะไรแม่พลอยแม่พลอยฉันว่าแล้วไม่ล่ะอะไรกันคุณเรมสงครามเสร็จแล้ว เยอรมันแพ้ราบคาบอย่างที่ฉันว่าไม่มีผิดพลอยรู้สึกโล่งอกประการแรกเมื่อสงครามเสร็จลงบางทีข้าวของจะถูกลงบ้างประการที่สองคุณเปรมจะได้หายตื่นสงครามสักทีสงครามคราวนี้ทําให้พลอยได้รู้นิสัยคุณเปรมขึ้นดีกว่าเก่าว่าคุณเปรมนั้นเป็นคนที่มีความคิดเห็นรุนแรง แต่ความคิดของคุณเปรมเปลี่ยนได้ง่ายตามการลัสมัยและเมื่อเปลี่ยนไปแล้วคุณเพรมก็ลืมความคิดเดิมเสียสิ้นพูดจาแสดงความคิดเห็นอย่างใหม่ราวกับว่าเป็นความคิดของตนมาแต่ดั้งเดิมอย่างเรื่องเยอรมันแพ้สงครามเป็นต้นตอนแรกคุณเพรมก็เข้าข้างเยอรมันแต่ตอนหลังเมื่อรู้แน่ว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกาศสงครามกับเยอรมันคุณเปรมก็เปลี่ยนความคิดตามเสด็จ แล้วก็จงเกลียดจงชังเยอรมันเอาจริงๆเมื่อเยอรมันแพ้ในที่สุดคุณเปรมก็ยินดีด้วยความจริงใจจะได้เสแส้งทําก็หาไม่พอยดูดคุณเปรมแล้วก็หวนไป น, นึกถึงกรอนสั้นๆที่เคยได้ยินมาแต่ในวังว่าเจ้าว่างามก็ต้องงามไปตามเจ้าหรือใครเล่าจะไม่งามตามเสด็จแต่คุณเปรมมีดีอยู่อย่างหนึ่งที่ปากกับใจตรงกัน คือเมื่อปักใจว่าจะตามเสด็จแล้วในใจก็เห็นดีเห็นงามเอาจริงๆริไม่ใช่สักแต่ว่าพูดด้วยปากเท่านั้นจริงๆจะเห็นได้ว่าพรอยนั้นอยู่กับคุณเปรมานานหลายปีจนลูกเต้าก็โตหลายขวบกันแล้วนะคะแต่คนเราก็มีเรื่องให้เรียนรู้ได้อยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์บ่อยครั้ง ก็ทาให้คนเราเนี่ยได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยว่าบางครั้งก็อาจจะมีอะไรแปลกๆบางอย่างที่เราไม่เคยรู้อย่างกรณีของพลอยนะคะที่ถ้าไม่เกิดสงครามพลอยก็อาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้ของคุณเปรมสงครามเสร็จไปไม่นานคุณเปรมก็เริ่มตื่นเต้นทหารอาสาต่อไปอีกวันวันก็คุยแต่เรื่องทหารอาสาไปสวนสนามที่โน่นที่นี่ พอทหารอาสากลับถึงเมืองไทยคุณเปรมก็วุ่นวายไปกับการรับรองทหารอาสาจนไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเสร็จงานทหารอาสาคราวนี้เป็นเรื่องเรียรายเงินซื้อเรือรบคุณเปรมก็ติดเข็มราชนาวีอย่างภูมิใจเข็มนี้มีแถบสีแดงกับขาวตรงกลางเป็นเข็มเงินโปร่งเป็นรูปช้างที่กำลังนั่งชูงวงนะคะ พอซื้อแล้วเนี่ยก็เอามาติดเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ออกเงินไปแล้วแล้วก็นอกจากตัวเองคุณเปรมก็ออกเงินในชื่อของพลอยแล้วก็ลูกๆทุกคนพร้อมกับเอาเข็มมาแจากคนละอันแล้วก็สั่งให้ติดด้วยเวลาไปไหนมาไหนพลอยก็สงสัยว่าเงินก็ออกไปแล้วทำไมต้องบังคับให้ติดคุณเปรมก็เลยบอกว่าเอา้าก็ติดให้คนเขารู้ว่าเรารักชาติไงล่ะแม่พลอยคนอื่น เขาจะได้ทําตามแล้วก็ช่วยกันออกเงินซื้อเรือรบเรือลํานี้จะใหญ่โตกว่าที่เราเคยมีคราวนี้ละ่ะเมืองไทยจะได้เทียมหน้าเทียมตาประเทศอื่นเข้าบ้างแล้วทําไมคนอื่นเขาไม่ช่วยกันซื้อเข็มดอกฤึคุณเปรมเขาก็ซื้อเหมือนกันละ่ะแม่พลอยแต่เราต้องช่วยกันชักชวนอย่าว่าแต่คนเลยย่าเหลยังช่วยออกเงินคราวนี้ย่าเหล พลอยถามด้วยความไม่เข้าใจคุณเตมก็เลยอธิบายว่าย่าเหลเป็นหมาของในหลวงท่านปโปรดยิ่งกว่าคนบางคนเสอีกนาะแม่พลอยมันเกิดในเรือนจำนครปฐมท่านเสด็จไปที่นั่นเห็นหน้าเอ็นดูเจ้าของเขาก็เลยถวายเดี๋ยวนี้โตแล้วรู้เหลือเกินละแม่พลอยอย่างฉันเวลาเข้าเฝ้า เขียดใกล้เข้าไปหน่อยเดียวมันกัดสื้อผ้าขาดแต่พอรับหลังท่านเวลามันมาเที่ยวข้างล่างเจอกับฉันจังๆหน้าฉันเงื้อจะเล่นเอาบ้างมันกระดิกหางแล้วก็เดินเข้ามาหาอย่างดีอกดีใจราวกับว่ารู้จักกันมานานก็เลยใจอ่อนทําไม่ลงท่านก็นาจะโปรดของท่านบล็อกเพราะมันรู้จริงๆพลอยฟังคารมของคุณเพรมแล้วก็รู้ดีว่าต่อไป คุณเพมก็จะมีเรื่องสนใจต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องซื้อเรือรบซึ่งพลอยก็คาดเอาไว้ไม่ผิดเพราะคุณเปรมออกเงินส่วนตัวไปแล้วยังไม่พอยังชักชวนเพื่อนฝูงบรรดามีที่รู้จักให้ช่วยกันออกเงินอยู่ทุกวันพลอยดูดูผู้ชายที่ตนรู้จักเช่นคุณเปรมพ่อเพิ่มแล้วก็คนอื่นๆก็กําหนดมติเอาไว้ในใจว่าผู้ชายนั้น ถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไรก็ยังไม่ทิ้งนิสัยที่เป็นเด็กนั่นก็คือต้องมีของเล่นมีเรื่องอะไรเล่นอยู่เป็นประจำขาดเสียไม่ได้พอเพิ่มเล่นไม้ดัดนกเขาและมีเพื่อนเล่นมากมายส่วนคุณเบรมนั้นเล่นมา้าเล่นหัตถหารเป็นเสือป่าและเมื่อมีเรื่องใหม่หมเกิดขึ้นคุณเปรมก็ตื่นเต้นเหมือนกับเด็กๆได้ดของใหม่ วันหนึ่งตอนกลางวันพลอยนั่งอยู่คนเดียวในห้องนอนเอาเสื้อกางเกงของลูกๆที่ขาดชมรุดออกมาซ่อมเด็กรับใช้ก็ขานเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าคุณเจ้าคะมีใครก็ไม่ทราบมาหาคุณผู้หญิงหรือผู้ชายพลอยถามอย่างไม่สนใจเท่าไหร่นะผู้หญิงเจ้าคะเขาบอกว่าเป็นพี่คุณเอ๋่ไม่จริงกระมัง ฉันไม่มีพี่น้องที่ไหนอีกเขาอยู่ที่ไหนล่ะนั่งอยู่หน้าตึกเจ้าค่ะพลอยก็เก็บของที่กำลังทำนะคะละมือแล้วก็เดินไปดูด้วยความสงสัยพอไปถึงก็เห็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งนุ่งผ้าพื้นสีเขียวแก่ห่มแพรสี่เหลี่ยมสีเทามีกระเป๋าหมากเลี่ยมหนากวางอยู่ข้างๆพอพลอยโผล่จากประตูห้องออกไป หญิงนั้นก็กำลังยกมือขึ้นแล้วก็เอาขี้พึ่งสีปากกริยาท่าทางที่พลอยได้เห็นเนี่ยเป็นภาพที่พลอยคุ้นมากคุ้นแล้วก็รู้จักดีมาต่เล็กต่น้อยแล้วก็จำได้ทันทีนะคะว่าคนผู้นี้เนี่ยคือใครคือตอนแรกที่เห็นเนี่ยยังจำไม่ค่อยได้แต่พอเห็นถ้าเอามือ ถ้าเอาขี้พึ่งสีปากเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ในบ้านที่กินหมากเนี่ยคงจะนึกออกว่าคนที่กินหมากเนี่ยเขาจะต้องมีการเอาขี้พึ่งเนี่ยมาสีปากซึ่งแต่ละคนก็จะมีท่าทางของตัวเองอยู่ละ่ะพอเห็นแล้วก็จําได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหูตัวเล็กลงไปถนัดใจนะคะใจหนึ่งอยากจะวิ่งห น, นีไปเสียให้พ้นๆแต่ก็รู้สึกว่าแข้งขามันอ่อนไปไหนไม่รอด ก็เลยซุดตัวลงนั่งพร้อมกับยกมือไหว้คุณพี่คุณอุ่นเหลียวมาดูพลอยแล้วก็ยิ้มด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณพลอยพี่ไม่ได้พบสนานคิดถึงอยู่เสมอสบายดีเหรอคุณอุ่นนั่นเองนะคะพลอยกลัวมากค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้พลอยไม่ได้เป็นเด็กๆ เ, เหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่ความกลัวก็ยังจับคั้วหัวใจอยู่ดีมือไม้แข้งขาอ่อนไปหมดเลยนะคะแต่คราวนี้คุณอุ่นยิ้มให้แล้วก็ทักถ่ายด้วยดีต่างไปจากทุกๆครั้งเอ่อสบายดีเจ้าค่ะพลอยตอบแบบตะกุกตะกักนะคะใจหนึ่งก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคุณอุ่นได่เป็นพี่น้องคนแรกที่เรียกพลอยว่าคุณพลอย สำหรับพลอยนั้นถึงจะนึกถึงคุณอุ่นในแง่ใดก็ตามความนึกคิดนั้นก็เป็นไปรับหลังคุณอุ่นแต่พอเจอกันแบบจังๆก็มีแต่ความกลัวมากกว่าความคิดอื่นๆทุกครั้งไปคือไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ตามเวลารับหลังแต่ว่าพอเจอหน้ากันจังๆเนี่ยความกลัวก็เป็นความรู้สึกที่โดดเด่นที่สุดในใจของพลอยนะคะ คือพอเจอหน้าแล้วนึกอะไรไม่ค่อยออกเคยเจอไหมคะกับคนแบบนี้คนที่เหมือนกับเราแพ้ทางเขากลัวเขาพลอยก็คงเป็นอย่างนั้นกับคุณอุ่นนะคะคราวนี้คุณอุ่นมาหาถึงบ้านเลยโอจะมาไม้ไหนกรณีคุณพลอยเข้ามานั่งใกล้ๆกับพี่หน่อยไม่ได้พบกันนานพี่อยากจะดูหน้าเธอให้เห็นชัดๆ พลอยก็ทำตามแ่ะคะ่ะคุณอุ่นยิ้มมองดูทั่วตัวแล้วก็พูดต่อไปว่าไม่เปลี่ยนไปเลยยังสวยอย่างไรก็อย่างนั้นมีลูกมีเต้าแล้วยิ่งดูเป็นน้าเป็นนวลขึ้นกว่าเก่าเธอสวยมากนะคุณพลอยสวยยิ่งกว่าเมื่อเป็นสาวรุ่นรุ่นซะอีกเออคุณพี่มีธุระอะไรหรือเจ้าคะ พลอยแข็งใจถามออกไปในที่สุดเปล่าไม่มีธุระอะไรหรอกพี่คิดถึงเธอก็มาเยี่ยมเรามีพี่น้องด้วยกันไม่กี่คนยังหนุ่มยังสาวต่างคนต่างมีธุระห่างเหินกันไปเดี๋ยวนี้แก่ตัวลงก็คิดถึงน้องๆ อ, อยากจะพบปากใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อนและนี่คุณพระยังไม่กลับจากทำงานหรือลหลานๆหายไปไหนหมด แล้วเธอมีลูกกี่คนแล้วล่ะพรอยก็เล่าให้คุณอุ่นฟังว่ามีลูกกี่คนแล้วก็บอกเด็กๆให้ไปตามประไพมาหาคุณป้าเพราะว่าอาคนอื่นๆเนี่ยไปโรงเรียนสักครู่หนึ่งประไพก็ออกมาครั้งนี้ที่เป็นครั้งแรกที่ประไพได้พบคุณอุน่นปรากฏว่าประไพคลานเข้าไปหาคุณอุน่น แล้วก็ยอมให้คุณอุ่นกอดจูบอย่างสนิทสนมทำให้พลอยเนี่ยรู้สึกอัศจรรย์ใจอยู่ครันๆันะคะว่าเอ๊ะประไัยไม่ยักก็กลัวคุณอุ่นเหมือนกับที่ตัวเองเคยกลัวตอนเด็กๆสวยเหมือนคุณแม่สวยจริงๆด้วยโตขึ้นอีกหน่อยเถิดจะสวยถึงลือทีเดียวหลานฉันคนนี้พลอยนิ่งไม่ได้ตอบอะไรนะคะคือพลอยยังง ง, ง ยังไม่ทำตัวให้ยินดียินร้ายในคำพูดของคุณอุ่นได้แม้แต่จะให้ปรงใจเชื่อว่าการที่คุณอุ่นมาครั้งนี้มาเพื่อเยี่ยมเยียนดังที่คุณอุ่นบอกไว้ตั้งแต่แรกคือไม่ว่าคุณอุ่นจะบอกอย่างไรเนี่ยพลอยก็ยังไม่สามารถจะทำใจให้เชื่อในคำพูดของคุณอุ่นได้นะคะอย่างรักษาท่าทีแล้วก็คล้ายๆกับว่ายังไม่วางใจคุณอุ่นก็ถามว่า นี่พอเพิ่มยังไปมาหาสู่คุณพลอยอยู่หรือเปล่าพลอยก็บอกว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่แต่ว่านานๆครั้งแล้วไม่เชยละพลอยก็ตอบว่าก็ได้พบบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเวลาเจ็บไข้ก็มาเยี่ยมเยียนกันแต่ถ้าสบายสบายไม่มีเรื่องก็ต่างคนต่างอยู่คุณอุ่นก็เลยปรารบขึ้นว่าคุณพลอยเคราะห์ดียังพบปะพี่น้องเสมอ ฉันซะอีกไม่ค่อยได้พบปากกับใครมีน้องเหลืออยู่คนเดียวก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มีเรื่องให้ต้องรำคาญใจอยู่เสมอคุณอุ่นพูดเหมือนกับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของคนอื่นเธอเป็นผู้ที่ต้องรับเคราะห์กรรมและแล้วคุณอุ่นก็เข้าประเด็นว่ามาคราวนี้ฉันก็มีเรื่องมากวนใจเธอ พลอยรู้สึกโล่งอกเมื่อคุณอุ่นออกปากนะคะคืออย่าง น, น้อยๆเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคุณอุ่นมีวัตถุประสงค์อย่างไรกันแน่กับการมาครั้งนี้คือถ้าบอกว่ามาเยี่ยมเฉยๆเนี่ยพลอยรู้สึกไม่เชื่อพอคุณอุ่นบอกว่าเออมีเรื่องจะมารบกวนเนี่ยพลอยก็คล้ายๆกับไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอค้นพบว่าโรคครั้งนี้เนี่ยอ่ไม่ใช่ค้นพบว่าโรคครั้งนี้เป็นโรคอะไร คือคือหาสาเหตุเจอนะคะว่าอาการเฉ็บไข้ที่ป่วยครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรอารมณ์น่าจะประมาณนั้นนะคะพลอยก็เลยบอกว่ามีธุระอะไรจะใช้สอยเนี่ยอย่ากเกรงใจบอกมาเลยจะได้รู้กันไปสัทีว่ามีอะไรกันแน่คุณอุ่นถึงได้มาหาในวันนี้คุณอุ่นก็พูดแบบเกรงอกเกรงใจคือแรกๆนี่ก็ก้มหน้าดูกระดานนิ่งๆอยู่พักหนึ่งเหมือนกับไม่กล้าพูด แตแ่วก็ถอนใจแล้วก็พูดเบาๆว่าพี่เองก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรหรอกพ่อชิดนั่นแหละเป็นคนชอบทำเรื่องให้ต้องร้อนใจบ่อยๆข่าวนี้ก็ไปทำหนี้สินเอาไว้มากพี่หมดปัญญาจริงๆจึงต้องบาดหน้ามาพึ่งเธอเจ้านี่เขาเร่งรัดเข้าทุกวันถ้าเธอไม่ช่วยก็เห็นจะขายหน้าเขา เรื่องนี้เป็นอย่างไรคะคุณพี่ยังไม่ได้เล่าให้อีชั้นฟังเลยก็เรื่องที่บ้านคลองบางหลวงพอชิดเข้ามาบอกพี่ว่าเพื่อนเข้ามาชวนไปค้าไม้ที่หัวเมืองเขาจะเอาเงินไปทาทุนตอนนั้นพี่ก็ไม่มีจะให้เขาก็บอกให้พี่เอาบ้านไปจำนำพี่ก็ยอมเพราะรักน้องแต่แล้วก็ค้าขายขาดทุนเงินทองก็หมดไปหนี้เจ้าหนี้เขาก็เร่ง ถ้าหาไปไถ่ายเขาไม่ได้เขาก็จะเอาเป็นหลุดลําพังตัวพี่เองอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เห็นว่าบ้านนั้นอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายถ้าปล่อยให้หลุดไปเป็นของคนอื่นก็คงจะขายหน้าเขามากพี่อยากเอาบ้านมาไว้กับเธอคุณพี่ต้องการเงินสักเท่าไหร่ถ้าได้สักแปดพันก็พอจะใช้หนี้สินได้หมด และพี่จะเอาบ้านมาทำจำนำไว้กับเธอทีเดียวทิ้งเอาไว้เฉยๆพี่ก็ไม่ไว้ใจทีหลังก็จะต้องไปจำนำคนอื่นเขาอีกแล้วเรื่องก็จะกลับมาเป็นอย่างเก่าไม่มีจบสิน้นเรื่องเงินนั้นคุณพี่อย่าวิตกเลยค่ะอีฉันพอจะหามาช่วยได้แต่อีฉันเองกลับวิตกเรื่องคุณพี่คุณพี่อยู่ตัวคนเดียวฝ้าข้างโน้น นานเข้าก็จะยิ่งลำบากทุกวันคำพูดของพลอยที่รับปากก็จะช่วยทำให้คุณอุ่นโล่งอกแต่คำพูดที่พลอยพูดแสดงความห่วงใยในตัวคุณอุ่นนั้นเหมือนกับว่าไปสกิดความรู้สึกในใจบางอย่างของคุณอุ่นทำให้คุณอุ่นมองดูหน้าพลอย แบบไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีกับคนที่ไม่เคยถือโกรธแล้วก็ไม่มีความอาฆาตพยาบาทติดอยู่ในใจเอาเสียเลยนะคะน้ำตาคุณอุ่นก็เริ่มไหลรินมากขึ้นมากขึ้นเกินกระทั่งในที่สุดคุณอุ่นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นให้พลอยได้เห็นเป็นครั้งแรกคำพูดของคุณอุ่นเป็นคำพูดที่พลอยรู้สึกว่า มาจากหัวใจเพราะว่าคุณอุ่นกลับมาพูดอย่างธรรมดาที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมีได้ยกย่องใช้คำว่าคุณพลอยเหมือนอย่างในตอนแรกคุณอุ่นพูดว่าพี่ผิดไปแล้วผิดไปมากทีเดียวแม่พลอยยกโทษที่พี่เธอนะแต่พี่ทำกับแม่พลอยมามากถึงแม่พลอยจะโกรธเคืองพี่ก็ไม่ว่าอะไร พี่ยอมรับผิดทุกอย่างพี่เป็นคนมีกรรมเห็นผิดเป็นชอบเอาแต่ใจตัวกว่าจะได้คิดมันก็ช้าไปเมื่อครั้งพ่อแม่ยังอยู่พี่ก็ไม่รู้สึกเพราะบารมีท่านคุ้มกันเอาไว้ยิ่งพ่อแม่ตามใจพี่น้องกลัวเกรงก็ยิ่งแต่จะเอาตามใจตัวใครขายกยอปอปั้นก็เชื่อถือคนนั้น แต่พอสิ้นบุญพ่อแม่แล้วก็มีแต่ความลำบากแม่พลอยไม่รู้หรอกว่าพ่อชิดนะ่ะเขาทำกับพี่แค่ไหนตอนแรกก็แค่ขอแต่ตอนหลังพอขอไม่ได้เขาก็ขู่เข็นเอาจนกระทั่งพี่หมดตัวก็เพราะเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่มีพอพี่ก็ขายไปทีละอย่างสองอย่างจนหมดเหลือแต่ถ้วยชามลายน้ำลายทอง แต่เขาก็ยังมาเคี่ยวเข็นให้พี่ขายเอาเงินให้เขาถ้าพี่ไม่ยอมเขาก็กินเหล้าเมาขึ้นมาบนตึกเข้าไปในห้องไว้ถ้วยชามยกขวางหน้าต่างทีละเข็งจนแตกปนปีไปหมดดูเอาเถอะแม่พลอยเขาทํากับพี่ได้ถึงเพียงนี้พลอยนั่งฟังแล้วก็ตกตะลึงพูดไม่ออกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณอุ่นปรับทุกข์กับพลอยแล้วก็ปรับทุกข์ พูดคุยแบบเปิดอกนะคะร้องห้อย่างไม่อายกันล่ะคุณอุ่นคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าพลอยตอนนี้เหมือนกับไม่ใช่คุณอุ่นคนเดิมเพราะว่าคุณอุ่นคนเดิมเนี่ยเป็นคนที่ไวยย้ยศชอบแสดงอํานาจข่มขู่คนอื่นให้ต้องเกรงกลัวแล้วก็ชอบทําให้คนอื่นได้ชอบช้าใจแต่ว่าคุณอุ่นที่อยู่ตรงหน้าพลอยตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงหญิงสูงอายุคนหนึ่ง ที่ประสบกับความชอกชำ้ำผิดหวังกำลังระบายความในใจที่เก็บอัดอั้นไว้มาเนิ่นนานนะคะขอแต่เพียงให้ได้มีใครอีกคนหนึ่งสงสารเห็นใจไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านั้นคือฟังดูก็น่าสงสารพรอยก็ถามว่าแล้วตอนนี้คุณคิดอยู่ที่ไหนคุณอุ่นก็บอกว่าแต่ก่อนเขาก็อยู่ที่บ้าน แต่เดี๋ยวนี้เขามาแต่ น, น, นานๆครั้งทิ้งแต่นังพวงเมียคนแรกกับลูกอีกสองคนให้อยู่ที่บ้านเขาไปได้เมียใหม่ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเขาก็เที่ยวไปนอนตามบ้านเมียจะมาก็แต่เวลาที่อยากได้เงินแต่เดี๋ยวนี้เขารู้ว่าพี่ไม่มีอะไรจะให้เขาก็ไม่มานานแล้วพลอยโล่งอกเมื่อได้ยินคุณอุ่นบอกว่าคุณชิดเริ่มจะห่างเหินไปอง คุณพี่อยู่คนเดียวที่บ้านไม่ลำบากหรือเจ้าคะคุณอุ่นนิ่งไม่ตอบแต่ในที่สุดก็พูดขึ้นว่าถ้าจะว่าลำบากก็ลำบากมากแม่พร้อยเบาวไพ่ที่เคยเลี้ยงมันมาก็ทอดทิ้งไปเกือบหมดเหลือแต่เย็บปิกคนของพี่คนเดียวแต่แกก็แก่มากแล้วหลงๆลงเลอะเละเดี๋ยวนี้ บางวันก็ต้องหุงข้าวกินเองคนที่อยู่ในบ้านก็เป็นคนของพ่อชิดใช้สอยไม่ได้มาจากบ้านไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะพี่ก็รู้ตัวว่าเป็นคนหาความลำบากใส่ตัวเองถึงจะต้องมาลำบากเมื่อแก่ก็ไม่เป็นไรบางทีก็นึกอยากจะตายจะได้พ้นทุกข์ไปสะที คุณอุ่นพูดแล้วก็ร้องไห้อีกพรอยก็รู้สึกมีความคิดบางอย่างพุ่งขึ้นมาในใจคือถ้าพรอยคิดจะช่วยเหลือคุณอุ่นให้ได้ผลจริงจังก็จะต้องช่วยแบบให้ตลอดรอดฟังนะคะคือการให้เงินคุณอุ่นเอาไปใช้หนี้เพื่อไม่ให้บ้านครองบางหลวงต้องหลุดไปเป็นของคนอื่นนั้นถือเป็นการช่วยเหลือเป็นครั้งคราว ซึ่งก็คงจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าคุณชิดก็คงจะก่อปัญหาใหม่ๆมาให้ต้องแก้ไขไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่คุณอุ่นยังอยู่ที่บ้านคลองบางหลวงไม่มีใครดูแลคือถ้าคุณอุ่นยังอยู่ที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวคุณชิดก็คงจะต้องไปรบกวนขอโน่น ข, น, นขอนี่อีกกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอุ่นออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็มาอยู่กับพี่น้องคนอื่นมีคนคอยดูหลายหน้าหลายตาคุณชิดก็คงจะไม่กล้าทาอะไร และคุณอุ่นเองก็คงจะมีความสุขมากขึ้นพรอยเห็นคุณอุ่นนั่งร้องไห้อย่างคนมีทุกข์หนักก็รู้สึกสงสารความเจ็บช้ำน้ําใจที่พรอยเคยได้รับมาแต่ก่อนละลายหายไปสิน้นนึกแต่ว่าตอนนี้คุณอุ่นก็เป็นคนแก่ที่อาพับคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่สาวแม่เดียวกันแต่ก็เป็นลูกของเจ้าคุณพ่อถ้าพลอยได้ช่วยเหลือคราวนี้และหากเจ้าคุณพ่อสามารถจะรู้ได้ด้วยทางใดๆท่านก็คงจะพอใจและถ้าหากแม่มีทางรู้ด้วยแม่ก็อาจจะหัวเราะสมน้ำหน้าคุณอุ่นแต่แม่ก็คงจะดีใจที่พลอยเป็นคนไม่ทอดทิ้งพี่น้องในยามทุกข์เพราะพลอยรู้ว่าจริงๆแล้วแม่ก็เป็นคนที่ใจดี แลวก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นที่ได้รับทุกข์ไม่น้อยไปกว่าพลอยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะเอาคุณอุ่นออกมาจากบ้านคลองบางหลวงแล้วไปฝากไว้ที่ใคร ถึงการที่จะเอาคุณอุ่นออกมาจากบ้านครองบางหลวงแล้วก็รู้สึกหนักใจอยู่เหมือนกันตอนแรกก็นึกถึงคุณเฉยแต่ก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะคุณเชยเองก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นที่พํานักแก่พี่น้องได้ถึงแม้ว่าคุณเชยจะสามารถรับคุณอุ่นไปอยู่ด้วยได้แต่คุณอุ่นก็คงจะไม่พ้นจากการบังควานของคุณชิดเพราะคุณเชยก็เป็นน้องแท้ๆของคุณชิด คุณชิตก็คงจะไม่กลัวไม่เกรง ย, ยิ่งไปกว่านั้นพลอยเห็นว่าคุณอุ่นเองกลับจะเป็นเครื่องชักนำให้คุณชิตเข้าบ้านคุณเฉยและก็คงจะทำให้คุณเฉยเดือดร้อนตามไปด้วยอีกคนหนึ่งส่วนพ่อเพิ่มนั้นพลอยรู้ดีว่าพ่อเพิ่มยิ่งแล้วไปกันใหญ่นะคะพ่อเพิ่มไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยใครได้ ถึงจะช่วยได้คุณอุ่นก็คงไม่ยอมไปคนที่จะเป็นที่พึ่งที่พํานักแก่คุณอุ่นได้ในยามนี้ก็คือตัวพลอยเองพลอยมีบ้านช่องที่ใหญ่โตที่จะให้คุณอุ่นอาศัยอยู่ได้อย่างเป็นสุขและอิสระมีผู้คนมากพอที่จะเจียดให้ไปคอยปฏิบัติ ด, ดูแลและคุณชิดเองก็ไม่ได้สนิทกับพลอยมากนักเพราะฉะนั้น คุณชิตก็น่าจะเกรงใจในระดับหนึ่งนะคะเกรงใจละอายใจไม่กล้ามารบกวนที่สำคัญก็คือคุณเปรมค่ะบารมีของคุณเปรมอันเกิดจากตาแหน่งฐานะราชการก็คงจะทำให้คุณชิตเนี่ยพอจะเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าตามเข้ามารุกรานถึงในบ้านคิดไปคิดมานะคะพลอยก็เห็นว่าคงจะเป็นหน้าที่ของตัวละ ในการที่จะต้องช่วยเหลือคุณอุ่นในครั้งนี้แล้วก็รู้ใจตัวเองอย่างแน่นอนว่าถ้าไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยตั้งแต่ตอนนี้พรอยเองก็คงจะไม่สบายใจไปตลอดถึงแม้ว่าพรอยจะถูกคุณอุ่นทําให้ชอกช้ำน้ำใจมาตลอดชีวิตแต่พรอยก็เป็นคนคนเดียวที่คุณอุ่นบากหน้ามาหาเมื่อยามทุกข์หมดที่พึ่ง พอยก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีจิตใจดีไม่อาฆาตพยาบาทใครมีแต่ความเมตตาในหัวใจคุณพี่อย่าร้องไห้ร้องผมไปเลยค่ะเรื่องหนี้สินที่คุณพี่พูดอีฉั้นรับจะจัดการให้เองไม่ให้ขายหน้าใครเขาได้แต่อีฉั้นมาวิตกเรื่องตัวคุณพี่ว่าคุณพี่จะอยู่ที่บ้านนั้นตัวคนเดียวอย่างไรได้พี่น้องก็อยู่ห่างกันมีแต่แม่พวงเขาก็คงทําอะไรไม่ได้ เห็นแต่แม่วานอีกคนก็เป็นผู้หญิงหวานเขาออกจากบ้านไปนานแล้วพอเจ้าคุณพ่อเสียได้สักหน่อยแม่เขาก็บ่นว่าอยากกลับบ้านพอแม่เชย อ, ออกมาเสียอีคนเขาก็เลยไปอยู่กับแม่เขาเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามีเรือนไปแล้วแม่วานก็คือลูกเจ้าคุณพ่อกับเมียน้อยคนสุดท้องที่คุณอุ่นหาให้นะคะก็เพราะอย่างนี้ อีฉันจริงได้เป็นห่วงคุณพี่คุณพี่ก็อายุมากเข้าไปทุกวันดิปริกคนของคุณพี่แกก็แก่เต็มทีเจ็บไข้ลงไปก็คงจะลำบากทำไมคุณพี่ไม่มาอยู่เสียกับน้องล่ะคะบ้านช่องที่นี่ก็ใหญ่โตพอที่จะอยู่ได้อย่างสบายคุณอุ่นมองดูพลอยเหมือนกับไม่เชื่อหูแม่พลอยนี่เธอพูดจริงๆรหรือก็จริงจริงสิคะ ฉันจะไปหลอกคุณพี่ทำไมแม่คุณแม่ทูลหัวของพี่ทำไมแม่ถึงดีอย่างนี้คุณอุณ่นพูดด้วยความประหลาดใจเพราะนึกไม่ถึงทำให้พลอยนึกถึงชอยขึ้นมาทันทีเพราะครั้งหนึ่งชอยก็เคยพูดด้วยถ้อยคำอย่างเดียวกันนะคะเธอจะไปทนที่วัยหรือคนแก่นะ่ะยุ่งออกจะตายไปเดี๋ยวก็เจ็บเจ็บไข้ไขเดี๋ยวก็จะเอาโน่นเอานี่ พลอยดูหน้าคุณอุ่นแล้วก็ยิ้มอย่างมีความหมายพร้อมกับตอบว่าอีฉันคิดว่าจะทนไหวคุณพี่อย่าวิตกไปเลยในข้อนั้นพลอยพูดกับคุณอุ่นแล้วก็อดมือนหน้าไปยิ้มกับตัวเองไม่ได้คือในความหมายของพลอยนะั้นคุณอุ่นเมื่อสาวสาวร้ายกาจขนาดไหนพลอยก็เคยทนมาได้ตอนนี้แก่แล้ว หมดเคี่ยวหมดเล็บจะไปอะไรนักหนานะคะคือประมาณว่าตอนคุณอุ่นยังร้ายๆเนี่ยพลอยยังทนมาได้ตอนนี้คือไม่มีเคี่ยวเล็บแล้วเนี่ยก็คงไม่เท่าไหร่หรอกคุณพี่มาอยู่กับอีชั้นเสียที่นี่เถอะนะคะเรือนยังว่างมีอยู่หลายหลังอีชั้นจะจัดให้แม่พลอยอย่าลำบากลำบนให้มากนักเลยพี่แก่แล้วอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้ ขอแต่ให้พ้นความรำคาญพอได้อยู่สงบกับเขาบ้างไม่มีคนมารบกวนใจเท่านั้นแหละหุนอุ่นก็ตอบตกลงในที่สุดนะคะแล้วก็ตกลงกำหนดนัดวันที่จะมารับเงินเพื่อเอาไปไถ่บ้านครองบางหลวงแล้วก็ตกลงที่จะย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันกับพลอยโดยเร็วที่สุด คือก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับพลอยนั้นคุณอุ่นบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครรู้เลยคือพยายามที่จะทําให้เงียบที่สุดนะคะแต่ว่าข่าวเรื่องนี้ก็ปิดไม่มิดละค่ะเพราะว่าพอคุณอุ่นออกจากบ้านน่งพิษก็เดินขย o เข ย, ก ข, ยกขึ้นมาบนตึกนั่งหอบหายใจก่อนจะถามว่าคุณพลอยเมื่อกี้เขาลือกันว่าพี่สาวคุณมาหาหรือพี่สาวคนไหนกัน เบาไม่เห็นมีใครที่ไหนอีกนอกจากคุณเชยก็คุณอุ่นไงละพิษนางพิษยกมือขึ้นท่วมหัวเจ้าประคุณเกิดมาไม่นึกว่าจะได้พบก็ได้พบไม่นึกว่าจะเห็นก็ได้เห็นคุณอุ่นมาทำไมเธอมาเยี่ยมฉันอย่างนั้นหล่ะพิษฉันเห็นเธอแก่แล้วก็สงสารอยู่คนเดียวทางโน้นไม่มีใครดูเป็นอะไรไปก็จะลาบาก ฉันก็เลยชวนเธอมาอยู่ด้วยกันเสียที่นี่ปรากฏว่านางพิษอ้าปากค้างฮะคุณพลอยนี่คุณพูดจริงๆหรือว่าหลอกบ่าวเล่นพูดจริงจริงสิพิษเออนางพิษถอนหายใจเหมือนกับจะเป็นลมแล้วก็ซักตอไปว่าแล้วเธอว่าอย่างไรเธอก็รับว่าจะมาอยู่ด้วยกัน พิธช่วยดูให้เด็กๆมันปัดกวาดเรือนตะอ้นเอาไว้ให้ด้วยนะอีกสี่ห้าวันเธอก็คงจะขนของมาละลำพังคุณอุ่นนะ่ะเบาไม่ว่ากระไรหรอกเพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นพี่ของคุณแต่อีปริกคนโปรดของเธอน่ะสิจะมาด้วยหรือเปล่าอีคนนี้แหละตัวสำคัญนะักช่างยุยงอยู่เสมอก็เห็นเธอบอกว่าจะเอามาด้วยพิธก็ยกให้เธอเสียบ้างเถอะ ผู้คนของคุณอุ่นเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่เย็ดปริกคนเดียวเฮ่ก่อนจะยกให้บ่าวก็คงจะต้องสั่งสอนนางปริกซะบ้างยิ่งแก่ๆอย่างนี้จะได้สอนเดี๋วเร็วดีนะักอีปริกเอ้ยกรรมของเองจะมาถึงคราวนี้ละว่าแล้วนางพิษก็เดินบ่นตุบๆตับๆเดินจากเรือนหายไปอีกสองวันคุณเฉยก็มาหาพลอยถึงบ้าง พอเห็นหน้าพลอยคุณเชยก็รีบถามก่อนอื่นเลยว่าแม่พลอยจริงเหรอที่คนลือกันว่าคุณอุ่นจะมาอยู่กับเธอจริงคุณเชยพลอยตอบสั้นๆแม่พลอยแม่พลอยกําลังเล่นกับไฟรู้ตัวบ้างไหมถึงจะไฟไฟก็มอดแต่ละคุณเชยไม่ร้อนมือหรอกฉันก็เห็นใจแม่พลอยเหมือนกันถ้าเป็นฉัน ฉันก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะคุณอุ่นเธอบาดหน้ามาหาทั้งทีใครจะไปตัดเธอได้ลงคอแต่ที่ฉันกลัวนะ่ะฉันกลัวแต่คุณชิดที่จะมาสร้างความลําบากให้แม่พลอยนะสิฉันก็กลัวเหมือนกันแหละคุณเชยแต่เรื่องนี้ฉันเห็นจะต้องทําใจแข็งถ้าหนักหนาก็คงจะต้องเอาคุณเปรมออกขู่นั่นนะสิถ้าได้คุณเปรมช่วยคุ้มกันเห็นจะไม่สู้อะไรนะักเอาเถิดแม่พลอย ฉันก็เห็นว่าแม่พลอยกำลังจะทำกุศลฉันขออนุโมทนาด้วยพอเธอมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วฉันจะมาดีกับเธอเองต่อไปจะได้ช่วยแม่พลอยอีกแรงหนึง่งนี่คือปฏิกิริยาจากคุณเฉยนะคะส่วนพ่อเพิ่มเนี่ยไม่แสดงความประหลาดใจอะไรเลยเมื่อรู้เรื่องนี้โอ้ยป่านนี้แม่แกคงไปนั่งหัวเราะ อ, อยู่ในเมืองผีแล้วล่ะแม่พลอยแต่ฉันไม่แปลกใจหรอก แม่พลอยเป็นคนใจดีใจดีเสีย จ, จนเป็นกิเลสใครๆเขาก็รู้ดูคุณหลวงสิมาว่าฉันเป่าเปล่าปรี่ปรี่ใจดีก็หาว่าเป็นกิเลสไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะผู้หญิงอื่นเขาเล่นไพ่เล่นเครื่องเพชรแล้วก็สบายใจแต่แม่พลอยเล่นคนเห็นใครลำบากก็ชอบช่วยเหลือช่วยเหลือแล้วก็สบายใจฉันว่ามันก็พอพอกันนแ่แหละ พอพลอยเล่าเรื่องคุณอุ่นให้คุณเปรมฟังแล้วก็บอกว่าปกลงจะช่วยเหลือคุณอุ่นทางการเงินแล้วก็ขอให้คุณอุ่นมาอยู่ด้วยกันที่บ้านคุณเปรมก็มองพลอยด้วยความภูมิใจแม่พลอยทําถูกแล้วฉันว่าไว้แล้วไม่ล่าว่าแม่พลอยนะ่ะไม่ต้องทําอะไรหรอกนั่งอยู่เฉยๆในบ้านนี่แหละแล้วคุณอุ่นเธอก็จะต้องเดินเข้ามาหาเองสักวันหนึ่งนี่ก็เป็นความจริงแล้ว คือก่อนหน้านี้คุณเปรมนี่เคยทำนายเอาไว้นะคะว่าสักวันหนึ่งพี่น้องของพลอยไม่ว่าจะเป็นคุณเชยที่หายไปหรือว่าคุณอุ่นเองเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายมาหาพลอยเองนั่นแหละให้พลอยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาใครนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเปรมว่าไว้จริงๆเวลาก็ล่วงเลยไป วันหนึ่งคุณเปรมก็ปรารภกับพลอยว่าจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแม่พลอยฉันก็ถึงเวลาแล้วนะที่จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพื่อนฉันเขาจะออกไปราชการที่อังกฤษในเวลาสี่หรือห้าเดือนข้างหน้านี้ฉันว่าจะฝากอั้นกับออสไปกับเขาถ้าไมาอย่างนั้นก็เห็นจะต้องรออีกนานจนกว่าจะมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เดินทางไปอีก พลอยใจหายวา่าคุณเปรมรอไปอีกสักหน่อยจะไม่ดีหรือลูกยังเล็กนะแม่พลอยหักห้ามใจบ้างเถอะฉันก็รู้แล้วก็เห็นใจว่าไม่พลอยรักลูกแต่ลูกเรานั้นวิ่งรักเท่าไหร่ก็ยิ่งควรจะหาวิชาความรู้ให้ไวทั้งอันและออสเดี๋ยวนี้ก็อายุสิบกว่าขวบแล้วทั้งคู่ไม่ใช่เด็กเล็กๆ พอจะเลี้ยงดูแลตัวเองได้บ้างแล้วถังโน้นก็มีผู้ปกครองคอยดูแลฉันฝากฝังเขาเอาไว้แล้วล่ะแม่พลอยทาใจซะให้ดีถ้าไม่ส่งไปเสียแต่เดี๋ยวนี้เด็กก็จะเสียเวลาไปทุกวันยิ่งนานเข้าก็จะยิ่งส่งไปยากและถ้าไปโตแล้วจะร่ำเรียนอะไรก็ไม่สะดวกส่งไปแต่ยังเด็กจะได้รู้ภาษาช่ำชองคาพูดของคุณเปรมนั้น มีเหตุผลมากเกินกว่าที่พลอยจะลบล้างได้พลอยก็ได้แต่ยินยอมละค่ะได้แต่ขอร้องคุณเปรมว่าในระยะสี่ห้าเดือนที่จะต้องกระเตรียมตัวนี้อย่าให้เด็กทั้งสองคนต้องไปโรงเรียนขอให้อยู่แต่ที่บ้านเพื่อให้พลอยมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดลูกทั้งสองคนให้มากที่สุดก่อนที่จะต้องจากกันไปไกลซึ่งคุณเปรมก็ยอมตามใจตอาอนน้ํนั้นดีใจ ที่จะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกไม่แสดงท่าทีว่าจะรู้สึกห่วงใหญ่ทางบ้านในขณะที่ตาอัดอ น, นั้นดูเฉยเฉยไม่กระตือรือร้นพลอยถามดูว่าดีใจไหมที่จะได้ไปเมืองนอกตาอัดกลับตอบว่าก็อย่างนั้นแหละคุณแม่พี่อันเขาดีใจเสียมากพอแล้วออดก็เลยอยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปช่วยเขาดีใจก็เห็นจะได้ทำไมคุณแม่ไม่ส่งพี่อ้นไปนอกบ้าง คอตออสถามถึงตะอน้นพรอยก็อึกอักตอบไม่ถูกจริงๆเรื่องนี้พรอยก็เคยถามคุณเปรมแล้วเพราะคิดว่าอยากจะให้โอกาสลูกๆเท่ากันทั้งสามคนแต่คุณเปรมบอกว่าฉันอยากให้ตะอ้นเรียนโรงเรียนในร้อยจนจบเพราะแกอยากเป็นทหารเรียนในเมืองไทยหรือเมืองนอกก็เท่ากันถ้าจบแล้วมีทางจะไปเรียนต่อได้ไว้ค่อยพูดกันใหม่ แต่พอพลอยถามตาอน้นถึงเรื่องไปนอกตาอ้นกลับตอบว่าอ้นไม่อยากไปนอกหรอกคุณแม่อยากจบโรงเรียนออกเป็นทหารเร็วๆมากกว่าแล้วเมื่ออันกับออสเข้าไปนอกแล้วอ้นจะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ไม่หายหน้ากันไปหมดคําพูดของตอาอ้นทําให้พลอยรู้สึกทั้งรักทั้งสงสารความจริง ถึงพลอยจะไม่เคยพูดเรื่องที่ว่าต่ออ้นเป็นลูกใครแต่เด็กๆทุกคนก็ดูจะรู้กันแล้วจากปากคนอื่นว่าต่ออ้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพลอยและถึงความรู้นี้จะยังไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ เ, เปลี่ยนแปลงแต่ดูเหมือนว่าต่ออ้นก็เทียมตัวเป็นพิเศษในทุกกรณีต่ออ้นไม่เคยทำตัวให้เท่าเทียมกับพี่น้องอื่นๆ ยิ่งเห็นคุณเปรมเตรียมการที่จะส่งลูกไปนอกพรอยก็ยิ่งใจคอแห้งลงคุณเปรมพาเด็กทั้งสองไปถ่ายรูปเพื่อทำหนังสือเดินทางและในโอกาสเดียวกันก็พาพรอยและลูกค น, นอื่นๆไปถ่ายรูปหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกพรอยระลึกอยู่เสมอว่าอีกไม่นานลูก ก็จะต้องจากไปสองคนพร่อยใจหายแล้วก็เห็นว่าลูกของตนนั้นโตขึ้นถนัดใจโดยเฉพาะเมื่อเด็กทั้งสองคนแต่งกายแบบฝรั่งให้เห็นเป็นครั้งแรกตะอันและตะอตออสเกือบจะเป็นหนุ่มแล้วเด็กเล็ก ๆ, ๆสองคนที่เคยน่ารักน่าเอ็นดู อุ้มมากอดมาจูบได้นั้นหายไปเสียแล้วไม่มีวันจะกลับมาอีกรอยจ้างเจ๊กต่อหีบไม้ใบใหญ่ทำของกินบรรจุใส่ขวดมีหมูยองมะขามฉาบลูกบัวผัดลูกไม้แช่อิ่มต่างๆเอาลงหีบสำหรับลูกจะได้ปีกินในเรือกลางทาง เปรมอธิบายให้พลอยฟังว่าขั้นแรกจะส่งตาอั้นแล้วก็ตะออสให้ไปเรียนด้วยกันที่อังกฤษก่อนจากนั้นก็จะส่งตะอั้นไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสส่วนตะออสจะให้เลือกวิชาเรียนจนจบในอังกฤษปัญหาเหล่านี้พลอยไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะมัวแต่สนใจว่าลูกจะต้องจากบ้านไปไกลแสนไกลและที่ยุโรปก็เคยได้ยินเขาเล่ากันว่าหนาวนะ สงสารลูกจะไปตกระกรรมลำบากยังไงอันนี้ก็สุดที่จะคาดคะเนได้พลอยก็ได้แต่สั่งแล้วสั่งอีกให้ลูกจดหมายส่งข่าวคราวมาบ่อยๆในที่สุดวันเดินทางก็มาถึงค่ะเด็กๆจะออกเดินทางด้วยเรือกลไฟไปสิงคโปร์แต่เวลาตีสีของเช้าวันหนึ่งจากนั้นก็ไปขึ้นเรือใหญ่เดินทางต่อ จนถึงยุโรปจากสิงคโปร์นี่คือการเดินทางในสมัยรัชกาลที่หกนะคะเดินทางไปอังกฤษไปอเมริกาตาละทีนี่ใช้เวลานา น, านแล้วค่ะต้องขึ้นเรือไม่ใช่เรือบินอย่างในปัจจุบันคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับพลิกซ้ายพลิกขวาทำยังไงก็หลับไม่ลงในขณะที่คุณเปรมเนี่ยหลับสนิท ปลอยลูกจากเตียงเดินย่องผ่านห้องกลางเห็นข้าวของที่จัดเตรียมเอาไว้พร้อมที่จะออกเดินทางวางคือวางเตรียมเอาไว้นะคะพรอยก็เดินเบาๆเข้าไปในห้องนอนที่ลูกๆนอนเห็นตาอั้นกับตาออดนอนหลับอย่างสบายพรอยก็เดินเข้าไปจนใกล้ตาจับอยู่ที่หน้าลูกทั้งสองคนยืนดูอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็ยกเก้าอี้มาตั้งลงเบาๆหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างระมัดระวังที่จะไม่ให้มีเสียงดังตั้งใจว่าจะมานั่งดูลูกจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องจากกันแต่พอนั่งไปได้สักครู่น้ําตาก็ไหลน้ําตาก็ไหลมองไม่เห็นหน้าลูกเพราะว่าน้ําตาเนี่ย ไหลรินออกมาทำให้ภาพที่เห็นพราพรางไปไม่สามารถจะมองอะไรได้ถนัดคุณหวังคงพอจะนึกภาพออกนะคะแม่นี่จะมีความผูกพันมากกว่าพ่อโดยเฉพาะเวลาที่จะจากลูกพลอยก็เป็นแบบนั้นอยากจะดูลูกให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่จะไม่ได้เห็นกันอีกนานหลายปีพรอยนั่งอยู่อย่างนั้นจะนานแค่ไหนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องกลางดังเป็นจังหวะมีเสียงสุนักเห่าและหอนใกล้บ้างไกลบ้างมีเสียงไก่ขันยามเตือนให้รู้ว่าเวลาล่วงเลยจากยามดึก เข้าไปหารุ่งอรุณอากาศที่ร้อนอบอ้าวตอนหัวค่ำเปลี่ยนเป็นเย็นลงจนพลอยรู้สึกสะท้านแต่ออสพลิกตัวขณะหลับหันหน้ามาทางพลอยแล้วก็ลืมตาขึ้นข้างหนึ่งพอเข้าใจจับความได้ว่าแม่มานั่งอยู่ใกล้ๆเตียงนอนสตออส ลูกออกจากมุง้งแล้วก็ย่องมายัางที่ที่พลอยนั่งแล้วก็เลื่อนตัวขึ้นมานั่งบนตักเอาหน้าซบไว้กับไหล่ข้างหนึ่งของพลอยเป็นท่าที่ตะอ๊อเคยชอบนั่งเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆพลอยรีบยกมือเช็ดน้ําตาไม่อยากจะให้ลูกเห็นกลัวจะเป็นลางไม่ดีขาดเดียวกันก็โอบรอบตัวตาอ๊อให้เข้ามาชิดและพยายามนั่งอยู่ในท่านั้น ให้นานที่สุดเหมือนกับว่าพยายามที่จะดูดดื่มความอบอุ่นจากตัวลูกเข้ามาในตัวของตัวให้ลึกที่สุดเพื่อที่ความอบอุ่นนั้นจะได้ฝังอยู่ตลอดระยะเวลาที่จะต้องจากกันตาออสดูเหมือนว่าจะงีบหลับไปในท่านั้นอีกพักหนึ่งพ่อยก็ปล่อยตัวเข้าสู่พวัง มารู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่คุณเปรมย่องมายืนอยู่ข้างๆเอื้อมมือมาแตะที่หัวไหลแล้วก็พูดเบาๆเป็นกระซิบว่าได้เวลาแล้วแม่พลอยให้เด็กๆแต่งตัวเสถิดเดี๋ยวจะได้ไปกันพรอยค่อยๆเลื่อนตัวตะอ๊อลงให้ยืนกับพื้นคุณเปรมเดินไปปลุกตาอัน้นแล้วก็ปลุกตาอ้อน ให้ลุกขึ้นแต่งตัวไปส่งน้องพรอยลุกขึ้นยืนกวาดสายตาดูลูกๆที่กำลังตื่นขึ้นอย่างงัวงเงียอีกครั้งหนึง่งแล้วก็หักใจเดินกลับไปล้างหน้าแต่งตัวที่ห้อง<โดย>เมื่อรถที่นั่งมาด้วยกันนั้นเลี้ยวเข้าประตูท่าเรือที่ถนนตกฝนก็เริ่มโปรยลงมา ทำให้บริเวณรอบๆเฉิ่อแฉบเบื้องหน้ามีเรือกลไฟใหญ่พร้อมที่จะเดินทางมีควันขึ้นกลุ่นจากปล่องคนแปลกหน้าหลายคนเดินไปมาอยู่บนเรือกลิ่นน้ำมันกลิ่นควันถ่านหินโปรยเข้ามาเข้าจมูกรอยยืนจับมือลูกไว้คนละข้างจ้องมองดูเรือสีดำมืด ที่จอดพ่นไอน้ําอยู่ตรงหน้าเรากับว่าเรือลํานั้นเป็นสัตว์ร้ายที่จะมาภาคนลูกของตนไปคุณเปรมจัดการกับของที่จะต้องขึ้นเรือเสร็จแล้วก็เดินนําหน้าพาพรอยและลูกๆข้ามสะพานเล็กๆที่ทอดจากตลิ่งขึ้นไปบนเรือชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณเปรมแต่อ้วนกว่าแล้วก็เตี้ยกว่าคนหนึ่งเดินยิ้มตรงเข้ามาหาคุณเปรมแนะนําว่านี่คือคุณพระสรรค์ ที่จะรับพาเด็กไปส่งถึงอังกฤษอิฉฉนฝากกับคุณพระด้วยเถิดเจ้าค่ะยังเด็กนักช่วยสั่งสอนให้ด้วยผิดพลาดอย่างไรก็ดุว่าเอาเถิดเจ้าค่ะอย่าได้เกรงใจเลยนึกว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณพระเถิดไม่เป็นไรขอรับไม่เป็นไรยินดีมากลูกคุณพระก็เหมือนลูกผมไปด้วยกันก็ต้องไม่ทิ้งกันมีอะไรบอกกันได้ ตัวก็ไม่เล็กแล้วเพอร์นิดเดียวก็จะเป็นหนุ่มด้วยกันทั้งสองคนหน้าตาก็ใช้การได้ทั้งคู่คุณพระสั์หันไปพูดกับเด็กๆซึ่งยังยืนอยู่ข้างๆพลอยขณะเดียวกันนะคะคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มก็เดินขึ้นเรือมารวมกลุ่มอยู่ด้วยหลวงโอสถให้พระเลี่ยมก่เด็กคนละองค์แล้วก็สั่งให้รักษาเอาไว้ให้ดีคุณพระจะได้คุ้มกันตัวได้ ส่วนคุณเชยก็ตรงเข้ากอดหลานคนละทีตีหน้าเบเหมือนกับจะร้องไห้แล้วก็ส่งห่อให้บอกว่าเป็นขนมที่รู้ว่าหลานชอบให้เก็บไว้กินกลางทางพอเพิ่มตบหัวรูปหลังหลานคนละทีสองทีแล้วก็แจกตะกรุดสาริกาทองคนละตัวบอกว่าดีนักในทางเมตตาโตอีกหน่อยแม่มจะต้องติดกันกล่าว เสียงคุณเปรมพูดขึ้นว่านี่ห้องหับเขาให้อยู่กันทางไหนทางนี้ทางนี้ครับผมเที่ยวสำรวจดูทั่วแล้วอยู่ติดกับห้องผมเองนอนได้กันสองคนทางนี้คุณพระสันออกเดินนำหน้าไปทางดาดฟ้าเรือไปหยุดอยู่ตรงประตูทาสีขาวประตูหนึ่งแล้วก็บอกว่าคือห้องนี้คุณเชยโผล่หน้าเข้าไปดูในห้องนะคะแล้วก็ถอยกลับออกมายกมือรูปอกอุทานว่า ตายเล็กเท่าแมวดิ้นตายหน้าอาัดใจแทนพลอยโผล่หน้าเข้าไปดูบ้านก็ใจหายกลัวลูกจะต้องลําบากในห้องนั้นมีที่นอนทําเป็นหิ่งติดอยู่ข้างฝาซ้อนกันสองที่ก็คือเตียงสองชั้นนั่นเองมีอ่างล้างหน้าติดอยู่ข้างฝาอีกที่หนึ่งหีบที่ขนขึ้นไปจากข้างล่างวางอยู่ในห้องคือแค่ของเนี่ยก็กินที่เสียเกือบหมดหากปิดประตูห้องนั้นแล้ว ทางที่ลมจะเข้าได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือทางรูกรมเล็กๆข้างฝาคุณเปรมเห็นพลอยทำหน้าไม่ดีก็เลยรีบแก้ขึ้นว่าอยู่ในเรือนี้ไม่กี่วันหรอกแม่พลอยพอถึงสิงคโปร์แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรือเรือลำที่จะไปจริงๆใหญ่กว่านี้เป็นไหนๆห้องหับเขาสบายออกเด็กๆขี้เกียจจะสนุกไปซะอีกจิงขอรับจริงเรือลำจากสิงคโปร์นั่นใหญ่โตวิ่งกันไม่หวาดไหว พระสันก็ช่วยพูดยืนยันอีกคนดูห้องแล้วทุกคนก็ยืนจับกลุ่มอยู่บนดาดฟ้าเรือขณะนั้นเรือบรรทุกสินค้าเข้าที่เข้าทางเสร็จแล้วเสียงเอะอะที่ได้ยินเมื่อตอนแรกเงียบลงเสียงหูดเรือดังขึ้นโดยกระทันหันสองครั้งปล่อยสะดุ้งสุดตัวคนเรือคนหนึ่ง เดินเที่ยวบอกผู้ที่มาส่งผู้โดยสารให้ลงจากเรือพลอยใจหายยืนเกาะลูกกรมที่แคมเรือปล่อยให้คนอื่นร่ำลาจนเสร็จแล้วก็เข้าไปกอดจูบลูกเป็นคนสุดท้ายเนื้อตัวยังอุ่นๆแต่จะต้องจากกันไปไกลเหมือนกับใครผันเต็ดเอาหัวใจไปไว้ที่อื่นออด รักษาตัวให้ดีๆนะลูกเรียนหนังสือให้เร็วๆแล้วรีบกลับมาหาแม่อันอันเป็นพี่ช่วยดูแลน้องให้ดีๆอยู่ไกลพ่อแม่ต้องรักกันอย่าทอดทิ้งกันเป็นอันขาดนะลูกคุณเปรมเอื้อมมือมาแตะที่แขนเบาๆเป็นสัญญาณให้ลงจากเรือพลอยแข็งใจพระจากลูก คุณเปรมเอามือแตะแขนไว้ข้างหนึง่งคุณเฉยเข้าเดินขนาบข้างพ่อเพิ่มและหลวงโอสดเดินรุนมาข้างหลังติดติดกันคุณเฉยเองนั้นถึงจะพยายามทำใจแข็งเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่น้องสาวก็ยังต้องยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับที่ใกล้ๆ ล, ลูกตาแล้วก็สั่งน้ำมูกอยู่บปพอยพลอยลงมายืนแงหน้าดูลูกอยู่ที่ท่าเรือข้างล่างตาอ้นเข้ามายืนอยู่ชิดตัว พลอเอื้อมมือไปจับมือตาอ้อนกำไว้แน่นเรือลำนั้นถอนสมอเสร็จแล้วมีเสียงใครร้องสั่งการจากสะพานข้างบนเรือเป็นภาษาฝรั่งเสียงลูกเรืออีกคนร้องรับอยู่ที่ดาดฟ้าข้างล่างพลอยเห็นลูกทั้งสองยืนเกาะลูกกรงเรือมองมาทางตนมีพระสันยืนหัวเราะโบกไม้โบกมืออยู่ข้างๆเมื่อดูจากที่ต่ำไปหาที่สูงพลอยก็เห็นว่าลูกของตนทั้งสองคนนั้น ตัวเล็กนิดเดียวยังเล็กเกินไปที่จะไปพ้นอกบิดามารดาแต่พรอยก็ไม่มีทางที่จะป้องกันขัดขืนมิให้จากไปได้เสียแล้วเพราะขณะนั้นหูดเรือดังสนั่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเรือก็เคลื่อนที่ออกจากท่าช้าๆ เด็กที่ยืนอยู่บนเรือตัวเล็กลงทุกทีทุกทีเรือแล่นไกลออกไปอีกจนกระทั่งในที่สุดก็หายไปในความมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไฟสีเขียวสีแดงสองสามดวงและจากนั้นแม้แต่ไฟเองก็หายลับไปจากสายตาในที่สุด หันหน้าเตรียมตัวที่จะกลับบ้านน้ำตากลบลูกตาจนแทบจะมองไม่เห็นทางถึงแม้ว่าฝนที่ตกพรมอยู่นั้นจะทำให้เสื้อผ้าที่ใส่ไปชุ่มชื้นแต่ในลําคอของพลอยนั้นแห้งผากราวกับมีใครเอาที่เท่าไปโรยไว้พลอยนึกไม่ออกว่า ตนจะดำรงสังขารอยู่ได้อย่างไรในระยะเวลาสิบห้าหรือยี่สิบวันต่อมาทุกอย่างในบ้านดูจะแห้งแล้งไปสิน้นทุกครั้งที่แลมเห็นที่ที่ลูกเคยกินพรอยก็ต้องใจหายเห็นเตียงที่ลูกนอนและเสื้อผ้าเก่าๆที่ลูกเคยใส่พรอยก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวคนที่อยู่ในบ้าน ก็ไม่เป็นที่พึ่งบรรเทาความคิดความอาลัยลงไปได้แต่อ้นส่งน้องๆแล้วก็ต้องรีบกลับโรงเรียนประภัยก็ยิ่งเพิ่มความคิดถึงให้พลอยมากขึ้นไปอีกคุณนุ้ยก็ได้แต่ร้องไห้คิดถึงหลานทุกครั้งที่เห็นหน้าพลอยคุณอุ่นก็ได้แต่คุยเรื่องของตนซึ่งขนาดนั้นพลอยไม่มีแก่ใจจะฟังส่วนคุณเปรม เมื่อหมดภาระส่งลูกไปนอกแล้วก็หันไปสนใจกับเรื่องม้ายิ่งกว่าเก่าทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องมีพายุพรอยได้แต่ไม่สบายใจเป็นห่วงลูกที่อยู่กลางทะเลและวันหนึ่งบุรุษปพรสนีเดินเข้ามาในบ้าน เด็กนำเอาไปรส์นีบัตรขึ้นมายื่นให้พลอยใบหนึ่งไพรษ์นีบัตรนั้นปิดดวงตาไปรส์นีที่พลอยไม่เคยเห็นมาก่อนด้านหนึ่งเป็นรูปตึกใหญ่และอีกด้านหนึ่งจ่าหน้าถึงคุณเพรมมีลายมือตาอัน้นเขียนเอาไว้อย่างเรียบร้อยและต่อท้ายด้วยลายมือของตาออ ตาอัน้นเขียนไปสนีบัตรโดยเริ่มต้นว่ากรับเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพลูกมาถึงสิงคโปร์แล้วโดยเรียบร้อยรูปข้างหน้านี้คือรูปโฮเทลที่ลูกพักอยู่พรุ่งนี้จึงจะลงเรือใหญ่เดินทางต่อไปคุณพระพาลูกขึ้นรถดูบ้านเมืองเห็นตึกใหญ่ๆมากหวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะสุขสบายดีลูกคิดถึงมากๆ แล้วก็ลงชื่ออันต่อท้ายลงไปก็มีลายมือตาออดเขียนหนังสือตัวโยเยอีกสองสามบรรทัดว่าแม่จาลูกเห็นปลาฉลามแล้วสองตัวคนเรือเขาชี้ให้ดูพี่อันมาดูไม่ทันมันดำน้ำไปเสียแล้วเมืองนี้ร้อนจังเก๊กมากกว่าที่บ้านเราซสอีกแต่พูดไทยไม่ได้สักคนแปลกไหม ใช้คําคของเด็กๆเขียนอย่างเด็กๆแต่เป็นเหมือนกับน้ําทิพมาชโลมหัวใจอันแห้งผากของพลอยและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ได้แต่นั่งคอยเช้าคอยเย็นเพือ่อจะได้รับข่าวจากลูกมีเสียงใครมาเดินหน้าบ้านก็จะชะเง้อชะแงคิดว่าเป็นเสียงของบุรุษไปรซ์นีและทุกครั้งที่พลอยได้รับทราบข่าวจากลูกพลอยก็จะดีใจดีใจยิ่งกว่าได้เห็นหน้ายา แต่จดหมายข่าวคราวแต่ละฉบับกว่าจะได้รับก็นานพอดูพอพลอยเริ่มจะคิดถึงลูกใจจะขาดอีกก็มีจดหมายมาถึงอีกฉบับหนึ่งเป็นลายมือตาออสมีใจความว่าแม่จา๋าพี่อ้นเมาคลื่นใหญ่เลยพอออกจากสิงคโปร์ก็นอนหน้าเหลืองมาในเรือไม่กินอะไรกินแต่ส้มกับน้ำแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วบอกว่ายังเพลียูอย่ออไม่เมาคลื่นเลยเขียนจดหมายมา ก, ก่อน เมืองนี้เขาเรียกว่าโคลัมโบมีแต่แขกดำเต็มไปทั้งเมืองเหม็นสาบด้วยพูดเออะอะร้องตะโกนลั่นไปหมดกัปตันเขาบอกให้ปิดประตูหน้าต่างของห้องในเรือเพราะว่าพวกนี้ขโมยเก่งพอเรือจอดก็ปีนกันขึ้นมาราวกับมดกับปลวกส่งเสียงเออะอะฟังไม่รู้เรื่องคุณพ้าบอกว่ามันจะชวนให้ไปเที่ยวกับมันบ้างให้ซื้อของบ้างคุณพ้าใจดีมาก ตอนที่ลูกกินโต๊ะแบบฝรั่งแม่รู้หรือเปล่าว่าฝรั่งนะ่ะเขาตักแกงออกจากตัวถ้าใครตักเข้าตัวเขาจะหาว่าหยาบคายเมื่อคืนวานเขาให้กินเนื้อแกะเหม็นสาบจะตายลูกจะเอามัสตาร์ดใส่ดับกลิ่นคุณพะก็ห้ามไม่ให้ทำบอกว่าอังกฤษเขาถือพิลึกละแล้วก็ลงชื่อออสพรอยอย่างนี้อ่านแล้วอ่านอีก จนกระทั่งแทบจะจำได้ทุกตัวอักษร eyebrow. แม้แต่รอยขีดค้ามีอยู่ที่ตรงไหนพลอยก็จำได้ตั้งแต่ตะอ้นและตะอ๋อจากไปพลอยก็หันเข้าหาตา อ, อ้นมากกว่าแต่ก่อนทุกเสาร์อาทิตย์ที่ตะ อ, อ้นกลับบ้านพลอยก็รู้สึกว่าบ้านอบอุ่นขึ้นเต็มบริบูรณ์ขึ้นเห็นจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ตาอ้น เป็นลูกผู้ชายคนเดียวที่เหลืออยู่ตะอ้นเป็นลูกในขณะที่พลอยยังไม่มีลูกและขณะที่ลูกของตนเองแท้ๆหายไปจากบ้านตะอ้นก็เป็นลูกผู้ชายคนเดียวที่ยังเหลืออยู่บางครั้งพลอยก็นึกขอบใจคุณเปรมที่ไม่ได้ส่งตะอ้นไปด้วยกันกับตะอั้นและก็ตะออสในคราวนี้แต่บางครั้งก็นึกเคืองที่คุณเปรมไม่สนใจในตัวตะอ้นมากเท่าที่ควร ในขณะที่ตาอ้อนเองก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพยายามที่จะเอาใจพลอยทุกทางเท่าที่จะทำได้คือตาอ้อนนั้นก็เป็นคนน่ารักแล้วก็รักแม่อยู่แล้วนะคะพยายามที่จะดูแลแล้วก็เอาใจแม่เอาใจพี่น้องตอนนี้ก็คงจะรู้ว่าแม่คิดถึงน้องซึ่งจากไปทีเดียวสองคนคราวๆจากตาอั้นและตาออสก็มีมาเรื่อยๆ คือพอเวลาที่ไปถึงเมืองท่าต่างๆตาอั้นกับตาออสก็จะส่งจดหมายและในที่สุดคะ่ะพรอยก็ได้รับจดหมายจากอังกฤษซึ่งตาอั้นเล่าให้ฟังว่าต้องไปอยู่กับครอบครัวคนอังกฤษก่อนแล้วจึงจะไปเข้าเรียนเมื่อรู้ภาษาดีแล้วจดหมายจากตาอั้นทุกฉบับก็เป็นการเป็นงานทำให้คุณเตรมพอใจมากนะคะอ่านแล้วบางทีก็เอาติดตัวไปอวดเพื่อนฝูงที่กระทรวง ในขณะที่จดหมายของตออดก็ถูกใจพลอยทุกครั้งไปเพราะว่าตาออดจับพนานาถึงสิ่งที่พลอยอยากโกรเช่นตาออดพนานาถึงความมืดความหนาวเล่าถึงอาหารการกินที่ได้รับในครอบครัวคนอังกฤษคือตาออดเนี่ยจะเขียนบรรยายเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรแต่มีคุณค่าทางใจ ในขณะที่ตะอั้นจะเขียนแบบผู้ใหญ่เขียนแต่เรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งอันนั้นก็จะถูกใจคุณเกรมจดหมายของตะออสทำให้พลอยได้หัวเราะเป็นบางครั้งและบางครั้งก็ทำให้พลอยร้องไห้คุณเปรมบ่นบอกว่าตะออสเขียนหนังสือเลอะเทอะอ่านไม่เข้าใจสู้ตาอั้นไม่ได้ทาให้พลอยต้องออกรับแทนตาออสทุกครั้ง เพราะตาอดพูดด้วยภาษาที่พลอยเข้าใจมากกว่าคนอื่นพรอยสังเกตว่าตั้งแต่ลูกไปนอกแล้วคุณเปรมก็เริ่มจะชักชวนพลอยให้ออกไปเที่ยวเต่นอกบ้านมากขึ้นกว่าแต่ก่อนในระยะหลังพลอยก็เริ่มจะได้เห็นโลกภายนอกที่กว้างขวางขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าความกังวลในเรื่องเลี้ยงลูกนั้นมีน้อยลงกว่าแต่ก่อนคุณเปรมเริ่มพาพลอยออกไปพบเพื่อนฝูงคนที่รู้จักแล้วก็ไปตามการงานต่างๆทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ก่อนนี้พลอยก็มักอยู่แต่ในบ้านนะคะดูแลบ้านดูแลลูกไม่ค่อยได้ออกไปไหนและตัวพลอยเองกไไ็ไม่ใช่คนที่ชอบออกไปไหนอยู่แล้วชอบอยู่กับบ้านแต่ตอนนี้ ออกไปข้างนอกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องในบ้านไม่ค่อยมีอะไรให้ถามมนะั้งวันหนึ่งคุณเปรมนั่งดูพลอยอยู่ก็ปรารถขึ้นว่าแม่พลอยฉันอยากจะขออะไรแม่พลอยสักอย่างจะได้ไหมอะไรเล่าคุณเปรมคุณเปรมขออะไรฉันฉันก็ไม่เคยขัดสักทีอยากได้อะไรก็บอกมาเถิดในหลวงท่านไม่โปรดผู้หญิงไว้ผมสั้นฉันอยากจะขอให้แม่พลอย เริ่มไว้ผมดูสักทีเวลาเฝ้าแหนจะได้ถูกพระไทยัยวิไม่เอาละ่ะฉันแก่แล้วคุณเพรมไม่ชิ้งหลอกแม่พลอยคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบแม่พลอยเขาก็ไว้ผมยาวกันมากแล้วแม่พลอยจะมานั่งทําตัวเป็นคนโบราณอยู่ทําไมฉันว่าแม่พลอยทําตัวให้แก่ใจก็เลยแก่ไปตามแต่ถ้าไว้ผมยาวซะ ก็จะสาวขึ้นอีกมากปล่อยฟังแล้วก็ชักใจใจอ่อนนะคะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดแซวคุณเปรมว่าคุณเปรมอยากได้เมียผมยาวทำไมไม่หาเอามาอีกสักคนละ่ะเลือกดูที่เขาสาวๆสวยๆดีกว่าฉันฉันไม่ว่าหรอกคุณเปรมหัวเราะืึไม่เอาแล้วแม่พลอยฉันเกียดยุ่งแม่พลอยก็ดีแต่พูดถ้าฉันไปหาเขาจริงๆ ก็ขี้เกียจจะหึงบ้านแตกไปซะอีกแต่ถึงแม่พลอยจะไม่หึงฉันก็คงไม่หาหรอกฉันอยากได้แม่พลอยนี่แหละเป็นเมียใหม่ของฉันไว้ผมยาวให้ทันสมัยสักหน่อยแล้วก็แม่พลอยก็จะสาวขึ้นอีกแล้วก็คงจะสวยขึ้นอีกหาน้อยไม่เท่ากับว่าฉันได้เมียใหม่อีกทั้งคนโดยไม่ต้องลำบากไปหาเอาใหม่เลยแม่ความคิดนี้ดีจังเลยนะคะพลอยก็หัวเราะ แต่ก็ยังไม่กล้ารับปากใจหนึ่งก็อยากจะตามใจคุณเปรมแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกกระดากเพราะว่าพลอยเคยเห็นแต่เด็กๆที่ไว้ผมยาวพอโตเป็นสาวก็ตัดผมสั้นทุกคนไปแต่คุณเปรมก็พูดตรงต่อความเป็นจริงว่าคนเดี๋ยวนี้ไว้ผมยาวกันมากพลอยก็สังเกตเห็นว่าคนไว้ผมยาวดูหนาตากว่าแต่ก่อน พอไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรถูกพลอยก็ไปปรึกษาคุณเฉยคุณเฉยก็มองหน้าน้องสาวอย่างพินิษฐ์พิจรารณาว่าที่จริงฉันก็เห็นว่าแม่พลอยควรจะไว้ผมยาวเหมือนกันนะเพราะอายุยังไม่มากถึงจะไว้ก็ไม่น่าเกลียดรอกคุณเฉยก็ไม่แก่กว่าฉันสกีปีแล้วทำไมไม่ไวบ้างเล่า ช่างฉันก่อนเธอแม่พลอยลองไว้ดูก่อนถ้าเข้าทีฉันจะได้ทําตามตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ปล่อยผมให้ยาวแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ไปไหนจนกระทั่งผมนั้นสามารถที่จะกล้าวได้อีกวันหนึ่งคุณเชยมานอนพังภาพคุยอยู่ในห้องพลอยนั่งทําผมอยู่ที่กระจกคุณเชยพูดขึ้นว่าแม่พลอยฉันรู้แล้วละ่ะ แม่พล่อยไว้ผมแล้วแม่พลอยจะต้องทําอะไรอีกอย่างหนึ่งถึงจะครบหืมทำอะไรอีกล่ะคุณเชยป้อมขัดฟันขาวไว้ผมยาวแล้วฟันดําหน้าตาเป็นบ้าไม่เข้ากันดูมันปรับปรายยังไงชอบกลนมานี่มานั่งตรงนี้ขัดฟันเสียให้ขาวเดี๋ยวนี้แหละฉันจะช่วยทิ้งเลยนี่คุณเชยขัดฟันแล้วน่าจะไม่จืดไปหรอ ไม่จืดรอบไว้ผมยาวแล้วปล่อยฟันดำดูเป็นแม่มฟันดำยังไงก็ไม่รู้สุกปกออกขัดฟันเสถิดแม่พลอยพอเห็นคุณเฉยขยันขยอหนักเข้าพลอยก็ปลดลงทำตามความเห็นของคุณเฉยค่ะวันนั้นก็นั่งขัดฟันกันทั้งวันขัดฟันให้พอดูข่าวได้แต่เฉพาะฟันหน้าพลอยไม่รู้ว่าฟันของตนเนี่ยจะมีหินปูนจับอยู่มากถึงเพียงนั้นนะคะ เมื่อเห็นฟันขาวเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ปรารถขึ้นว่าคุณเชยขัดเข้าไปห น, หนึ่งมีต้องขัดกันเรื่อยไปหรือกินหมากเข้าไปฟันมันก็ดาอีกคุณเชยก็บอกว่ามันขัดมันแปรงไม่เป็นลาหลอกเขาบอกฉันว่าคนที่ขัดฟันขาวแล้วก็ไม่ค่อยจะอยากกินหมากเท่าไหร่นะคุณเชยพูดแล้วก็ช่วยเหลือน้องสาวให้ขัดฟันต่อไปเย็นลง พอคุณเฉยกลับไปพลอยก็อาบน้ําแต่งตัวเกล้าผมเรียบร้อยนั่งคอยรับคุณเปรมอยู่ที่บ้านคุณเบรมกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำผลัดเครื่องแต่งตัวลงไปดูม้าที่คอกไม่ทันจะได้พูดจากับพลอยว่าอะไรแต่พอตกค่าคุณเปรมนั่งกินข้าวพลอยนั่งอยู่ข้างๆคุณเปรมก็เหลือบมองหน้าพลอยสองสามทีก่อนจะบอกว่าเอวันนี้ไม่พลอยไปทําอะไรมาฉันว่าหน้าตา ดูเปลี่ยนไปชบกอนพลอยก็ถามว่าเปลี่ยนไปอย่างไรไม่รู้สิฉันว่าแม่พลอยหน้าตาอ่อนลงกว่าเก่านะจะว่าผมก็ไม่ใช่เพราะฉันคุ้นอยู่แล้วแต่จะเป็นเพราะอะไรฉันก็ดึกไม่ออกเหมือนกันแหมได้ผลนะคะคือพอขัดฟันนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยแทนคำตอบค่ะพลอยก็หัวเราะหัวเราะจนกในทั้งเห็นใบฟัน คุณเฟรมก็เลยร้องขึ้นว่าโอ้โหแม่พ้อยขัดฟันเสียขาวทีเดียวมีน้าละ่ะจริงดูสาวกว่าเก่าแล้วก็สวยกว่าเก่าเป็นกองแล้วคุณเปรมชอบไหมละ่ะพรลอยถามอย่างอ้ายๆโธ่ถามได้แม่พ้อยสวยออกอย่างนี้ใครจะไม่ชอบความสนใจของคุณเปรมในระยะนี้ประกอบกับความกังวลในเรื่องทางบ้านเกี่ยวกับลูกมีน้อยลง ทำให้พลอยเริ่มสนใจในตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกายประดับกายมากกว่าแต่ก่อนคุณเพรมจะพาไปเที่ยวนอกบ้านทางไหนพลอยก็มักจะแต่งกายให้งดงามเป็นที่พอใจคุณเพรมทุกครั้งไปงานที่ออกหน้าออกตาที่สุดในเวลานั้นคืองานออกร้านที่วัดเบญจมาศบพิธซึ่งมีมาตั้งแต่แผ่นดินก่อน เป็นงานเพื่อหารายได้บํารุงพระอารามที่ทรงสร้างขึ้นพรอยเที่ยวงานนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่ในวงังและก็เห็นว่าเป็นงานที่หรูหราที่สุดเท่าที่จะมึกฝันได้แต่พอผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ได้ไปเที่ยวงานวัดกับคุณเปรมในตอนหลังพรอยก็รู้ดีว่าสิ่งต่างๆที่ตนเคยเห็นว่าหรูหรามาแต่ก่อนนั้นความจริงก็ไม่เท่าไหร่นักเพวางานในแผ่นดินนี้หรูหรากว่าที่เคยเห็นมา แม้แต่พลอยเองซึ่งรู้ตัวว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังอดที่จะตื่นตาตื่นใจไม่ได้คนที่ไปเที่ยวงานก็ไปด้วยจิตใจที่รื่นเริงใช้เงินไปอย่างไม่เสียดายจํานวนคนก็มากกว่าเดิมดูเบียดเสียดยัดเยียดทั้งหญิงทั้งชายเดินปะปนกันอย่างไม่กระดากขววยเขินร้านรวงที่มาออกงาน ก็แต่งอย่างโอโทงประดับไฟสีต่างๆดูตรการตาพรอยจะไปกับคุณเปรมเพียงคืนหรือสองคืนแต่คุณเปรมนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ต้องไปทุกคืนและกว่าจะกลับก็แสงทองขึ้นพรอยรู้ดีว่าคุณเปรมใช้เงินคืนแลมากๆแต่ในเมื่อเงินทั้งหมดเป็นของคุณเปรมพรอยก็เกรงใจไม่กล้าที่จะห้ามปรบับราชาสำนักแผ่นดินใหม่ อย่างเป็นเรื่องของผู้ชายเพราะว่าประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกในขณะนั้นยังไม่มีพระมเหสีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้องยังไม่มีฝ่ายไหนจนสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคตถวายพระเพลิงพระบรมศพเรียบร้อยแล้วไม่นานสมเด็จพระอนุชาธิราชผู้ทรงเป็นรัชทายาทก็ทิววงคตลงขณะสเสด็จไปสิงคโปร์ ทุกครั้งที่สวรรคตรหรือที่วงคตพลอยก็ต้องไว้ทุกตามคุณเปรมไปเพราะคุณเปรมเป็นข้าราชสำนักแต่พลอยก็ยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจนเสร็จสงครามแล้วและมีงานต้อนรับทหารอาสากลับจากเมืองไทยเสร็จไปแล้วพลอยก็ได้ยินข่าวใหม่จากปากของคุณเปรมเองว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมั่น จะทรงมั่นกับหม่อมเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งซึ่งจะทรงอภิเศกสมรสเป็นพระบรมราชินีต่อไปข่าวนี้ทำให้พลอยและคนอื่นๆตื่นเต้นและหลังจากนั้นในเวลาไม่นานนักก็มีแต่คนพูดถึงพระวรกัญญ า, าร้านถ่ายรูปทุกแห่งจะต้องมีพระรูปพระวรกัญญาไว้ขาย และบรรดาสตรีทั้งสาวและไม่สาวก็เริ่มแต่งกายตามแบบที่พระวรกัายาโปรดนั่นก็คือนุ่งผ้าจุมกระเบิใส่ถุงเท้ารองเท้าแล้วก็เสื้อรัดเอวปล่อยชายลงมาเหมือนกระโปรงดูเหมือนว่าเกือบจะคลุมพระนุ่งนั้นไม่มิดดูแต่ไกลๆเหมือนกระโปรงแหม่มหยางสั้นๆใครที่ไว้ผมยาวก็เกล้าวมวยแล้วใช้แถบกำมหยี่หรือแพรรัดที่หนา้าผาก ผู้หญิงคนไหนที่แต่งตัวแบบนี้ก็ถือว่าทันสมัยเป็นที่สุดในขณะนั้นข่าวพระวรกัญญาเป็นข่าวที่ตื่นเต้นกันมากบรรดาภรรยาข้าราชการที่มีโอกาสจะเข้าเฝ้าได้ก็เป็นต้องเข้าเฝ้าเกือบทุกคนนะคะ แม้กระทั่งคุณเปรมเนี่ยก็มาถามพลอยว่าไม่คิดจะเข้าเฝ้าถวายตัวกับพระวรกัญยากับเขาบ้างหรือยอย่างไรพลอยก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยคุณเปรมฉันเคยเห็นของอย่างนี้มามากรอรอไว้ก่อนเถิดคุณเปรมก็ไม่ค่อยเข้าใจพลอยนะคะสั่นหัวช้าๆแล้วก็บ่นบอกว่าพลอยเนี่ยทำไมถึงชอบทำตัวเป็นคนขืนโลก ไม่ใช่ฉันขืนโลกหรอกคุณเปรมแต่ฉันไม่ชอบคนหัวประจบเมื่อไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจะทำคนที่วิ่งเข้าประจบผู้มีบุญวัสนานั้นฉันเคยเห็นมาแล้วหนักต่อหนักแต่ฉันรู้ว่าไม่มีความจริงใจอะไรเวลามีบุญก็เข้าหาหมดบุญก็หายหน้าไปตามๆกันคนที่จะมาเป็นพระไมเหสีเทวีต่อไปนั้นถึงอย่างไรคนอย่างคุณเปรมคนอย่างฉัน ก็ต้องเป็นข้าท่านอยู่วันหนึ่งคำ่ำเพราะเราไม่ได้เป็นข้าแต่ตัวแต่เป็นมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อเราเป็นข้าในหลวงเราก็ต้องเป็นข้าลูกเมียของท่านฉันยังไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปถวายตัวเป็นขององค์นั้นองค์นี้แต่เจ้าของเดียวแผ่นดินนี้ท่านเห็นจะมีแต่องค์เดียวหรอกแม่พลอยท่านไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาตั้งแต่ทรงพระเยาวผู้ดีอังกฤษนะ่ะ เขาไม่มีเมียกันหลายคนหรอก <S <S <S <an> <S ก็ฉันจะไปว่าอะไรละ่ะท่านอาจจะมีองค์เดียวจริงอย่างที่คุณเปรมว่าก็ได้และถ้าอย่างนั้นจริงฉันก็ยิ่งเห็นว่าไม่ต้องถวายตัวเลยถ้ามีหลายองค์ซสอีกบางทีอาจจะต้องเลือกว่าจะถวายตัวกับองค์ไหนดีแต่แค่นั้นแหละฉันมันคุ้นกับพระมเหสีหลายองค์มาแต่อ้อนแต่ อ, อกคิดดูแล้วก็ยังไม่ไว้ใจและในใจจริงฉันเองก็ยังเห็นว่า พระมเหสีองค์เดียวนั้นดูหล่นหลอนไปไม่เต็มที่เต็มทางคุณเปรมฟังแล้วก็หัวเราะฉันยอมแพ้แล้วละ่ะแม่พร้อยเรื่องบางเรื่องบทแม่พร้อยจะยอมก็ยอมเอาง่ายๆแต่บทจะไม่ยอมก็ไม่ยอมเอาจริงๆยิ่งอยู่ด้วยกันไปก็ยิ่งมองกันไม่ออกก็คุณเปรมไม่มองฉันให้ดีๆนี่ไม่มองแล้วจะไปดูฉันออกได้อย่างไร แม่พลอยก็พ้อ ย, อยังมีความหมายนะคะแต่ภายในเวลาไม่นานนักค่ะคุณเปรมก็กลับมายอมแพ้พลอยอย่างราบคาบแม่พลอยที่แม่พลอยไม่เข้าไปเฝ้าถวายตัวนั้นฉันดูๆไปก็เห็นว่าดีแล้วละ่ะอ้าวทาไมถึงเปลี่ยนความคิดเปลวนักละ่ะคุณเปรมฉันได้เห็นอะไรมาบ้างมันทำให้นึกตะกิตตะห่วงชอบกลนฉันไปเห็นมาด้วยตามเมื่อวันซืนนี่เอง คนเข้าเฝ้ากันเต็มไปหมดไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครบ้างก่อนเสด็จลงมาก็มีเสียงคุยอวดกันว่าเคยเป็นข้าหลวงเดิมบ้างเคยอุ้มมาแต่ครั้งทรงพระยาวบ้างพอเสด็จลงก็แห่กันเข้าไปเฝ้าบางคนก็ทูลว่าโอ้โหแห่ปลื้มปิติจนน้ำตาไหลเขาก็เก่งหรอกนะเพราะเขาบีบน้ำตาออกมาได้จริงๆแต่ฉันดููแล้วก็ขนลุกเห็นจริงกับที่แม่พลอยพูดไว แล้วพระวรกัญญาท่านรับสั่งว่าอย่างไรบ้างคุณเพรมท่านก็ได้แต่ยิ้มยิ้มกระทันจะไปรับสั่งว่าอย่างไรได้ถึงจะรับสั่งฉันก็คงไม่ได้ยินเพราะมีแต่เสียงเพชรทูลเสียงน้ำตาร่วงด้วยความปิติโอ้ยดังขล่มไปหมดและไม่พร้อยพบพรอยหัวเราะนึกขันในคำพูดของคุณเพรมนะคะคุณเปรมนึกว่าท่านทรงเชื่อหรือเปล่าฉันว่าท่านไม่เชื่อหรอก เพียงแต่อย่างตาเรามองยังเห็นออกต้องๆพระเนธท่านสูงกว่าเราทำไมท่านจะมองไม่เห็นแต่ท่านจะไปทรงทำอะไรได้ท่านเป็นเจ้าเป็นนายเขามาเฝ้าก็ต้องเสด็จออกให้เฝ้าเขาจะเพชทูนอย่างไรท่านก็ได้แต่ทรงยิ้มฟังอย่างเราซะอีกสบายกว่าท่านเป็นไหนๆไม่ชอบใครก็แสดงออกนอกหน้าได้อย่างท่านเนี่ยไม่โปรดก็ต้องเก็บเอาไว้แต่ฉันว่านะ ท่านก็คงจะทรงทราบดีเท่าเราหรืออาจจะมากกว่าเราได้ซ้ําไปละแม่พรอยฉันดีใจจริงที่ไม่ได้เข้าไปเฝ้ากับเขาบ้างขืนเข้าไปคุณเปรมคงจะค้อนฉันตายฉันค้อนน่ะไม่สู่ไรรอกแม่พรอยที่ฉันมาดีใจว่าแม่พรอยไม่เข้าไปก็เพราะเกรงว่าท่านจะเห็นว่าแม่พรอยนะ่ะเป็นคนอย่างเดียวกับพวกที่แห่กันไปเข้าเฝ้า ถ้าเจ้านายท่านทรงนึกว่าเมียฉันก็เหมือนกับคนพวกนั้นฉันก็คงจะรู้สึกขายหน้ามากทีเดียวคุณเพรมฉันบอกอะไรให้สักอย่างอย่าหาว่าฉันบ้านนะบอกมาเถิดแม่พร้อยถึงจะเห็นว่าบ้าฉันก็จะนิ่งเสียไม่บอกให้รู้ตัวรอกใจจริงฉันก็อยากจะเข้าไปเห็นเหมือนกันตั้งแต่รู้ว่า ในหลวงจะทรงอภิเษกกับพระวรกัญญาฉันก็อดจะสนใจไม่ได้ดีใจก็ดีใจแล้วก็อยากจะเห็นหน้าเสียจริงๆแต่ที่ไม่เข้าไปก็เพราะกลัวจะถูกหาว่าหัวประจบเท่านั้นละ่ะไอ้ที่อยากเห็นนะ่ะก็คงจะได้เห็นดอกแม่พรอยท่านจะทรงละครทั้งสององค์เร็วๆนี้ฉันจะไปซื้อตัว๋วแล้วก็พาแม่พรอยไปดูด้วยกันพรอยก็งงมากนะคะว่าเอ๊ะ ใครทรงละครซื้อตัวอะไรคุณเฟรมก็อธิบายบอกว่าในหลวงกับพระวรกัญญาท่านจะทรงละครเป็นพระเอกกับนางเอกด้วยกันส่วนตัวที่ต้องซื้อนั้นก็เพื่อเก็บเงินบำรุงเสือป่าพลอยก็รู้สึกประหลาดใจนะคะว่าเป็นไปได้อย่างไรกับการที่พระเจ้าอยู่หัวจะออกทรงละครในที่สาธารณะชนิดที่ว่าใครๆก็สามารถจะไปดูได้ แถมยนะังมีการขายตั๋วเก็บเงินเหมือนกับละครตามวิ์โอ้โหนี่เป็นเรื่องใหม่เก้าใหม่อีกเก้าหนึ่งทีเดียวซึ่งดูจะไกลเกินไปนักสำหรับพลอยจริงๆพลอยก็ทราบมาแต่ก่อนแล้วว่าแผ่นดินนี้โปรดทรงละครแต่ว่าตั้งแต่ผัดแผ่นดินมาก็รู้แต่ว่าในหลวงเนี่ยทรงละครในที่โรโหฐานระหว่างหมู่มหาเล็กแล้วก็เป็นการแสดงแบบเป็นครั้งคราว เป็นการภายในนะคะเพื่อถวายสมเด็จพระพันปีให้ทอดพระเนตรบ้างหรือว่าเนื่องในงานอื่นเป็นการภายในบ้างคนข้างนอกก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปชมแต่เท่าที่ได้ยินคราวนี้เนี่ยจะทรงออกโรงให้คนภายนอกเข้าไปชมได้พลอยก็อึดอักไม่สบายใจเพราะการอบรมที่ได้รับมาแต่ก่อน บังคับให้นึกไปเช่นนั้นนะคะคือสำหรับพลอยเนี่ยซึ่งเติบโตและก็ได้รับการอบรมมากับขนบอีกแบบหนึง่งพลอยรู้สึกว่าพระเจ้าปิณเป็นของสูงแม้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทางไหนหรือประทับอยู่ที่ใดก็ไม่ควรที่ใครจะไปมองตรงๆจำต้องหลบสายตาลงต่ำแต่คราวนี้จะออกทรงละครซึ่งเป็นของที่ต้องจ้องแล้วก็ต้องมองพรอยยังนึกไม่ออกว่าตนจะดูได้อย่างไร เหตุผลที่ว่าจะทรงละครเก็บเงินบำรุงเสือป่านี้พลอยก็ฟังไม่ออกสินทรัพย์หรือว่ากำลังส่วนใดที่คนทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าของร่วมกันช่วยกันบำรุงรักษานั้นพลอยยังนึกไปไม่ถึงนึกได้แต่เพียงว่าพระเจ้าจอยู่หัวทรงมีพระราชทรัพย์ออกมากมายสุดที่จะประมาณถ้ามีพระประสงค์สิ่งใดก็สักแต่จะมีพระบรมราชองค์การทุกอยาก่างก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วเหตุฉไหน จึงต้องส่งออกเล่นละครเก็บเงินจะโปลดให้โขนหลวงละครหลวงออกแสดงก็ดูจะเหลือพออยู่แล้วนะคะแต่เพียงเท่านี้ก็หนักใจมากอยู่แล้วสําหรับพลอยกับการที่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงละครแต่คุณเปรมบอกว่าพระวรกัญญาก็จะออกทรงละครด้วยอีกพระองค์หนึ่งพลอยได้ฟังก็ต้องหยุดเกืด น, น้ําลายนี่เป็นครั้งแรกนะคะ ที่พลอยได้ยินว่าผู้หญิงและผู้ชายจะออกเล่นละครร่วมกันคือสมัยของพลอยเนี่ยพลอยเคยดูแต่ละครผู้หญิงในวังก็จะมีแต่ละครผู้หญิงล้วนที่เรียกว่าละครในนะคะละครจะเจคุณไมหินละครปรีดาไลาะจะมีผู้ชายบ้างก็จะเป็นพวกตลกนะคะละครผู้ชายที่เคยเห็นก็จะเป็นละครนอก ซึ่งใช้ผู้ชายล้วนๆทั้งตัวพระตัวนานแต่การที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะมาเล่นละครร่วมกันและผู้หญิงที่จะเล่นนั้นคือพอระบรกัญญาซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นมาเหสีโอ้พลอยนึกไม่ออกเลยนะคะยิ่งคิดยิ่งงงคุณเปรมท่านจะทรงละครเรื่องอะไรหรอคุณเปรมก็ตอบว่าเรื่องโพงพาง แล้วกันแม้แต่ชื่อเรื่องก็ดูแปลกละครอะไรชื่อพงพางเกิดมาเป็นตัวฉันยังไม่เคยได้ยินต้องลองถามคุณเปรมดูอีกทีอันนี้คือนึกในใจละครอะไรชื่องพงผางนะคะพลอยก็เลยถามออกไปดังๆว่าคุณเปรมละครอะไรชื่อพงพางฉันยังไม่เคยได้ยินเลยคุณเปรมก็อธิบายว่าพงพางเป็นละครพูด หลวงท่านทรงพระราชนิพนธ์เองแล้วก็ว่ากันว่าเป็นละครที่สนุกนะคุณเปย์พูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยอารมณ์เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีความแปลกอกแปลกใจอะไรเลยเหมือนกับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ปฏิบัติกันมาจนเคยชินกันแล้วแต่พลอยเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นพลอยรู้สึกแปลกใจว่าอีตายแล้วเป็นไปได้อย่างไรนะคะ พลอยก็รู้สึกว่าเอตายและชั้นสงสัยว่าจะเป็นคนล้าสมัยจริงอย่างที่คุณเปรมว่าที่นี้พอถึงวันที่จะไปดูละครหลวงกับคุณเปรมพลอยก็แต่งตัวเต็มที่นะคะเหมือนกับจะเข้าเฝ้าซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือการเข้าเฝ้านั่นเองเพราะว่าละครนั้นแสดงในพระราชฐานคือวังพญาไทยอันเป็นที่ประทับในขณะนั้นคุณเปรมมองดูภรยาตนที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็พอใจนะคะ ชวนขึ้นรถยนต์ออกจากบ้านแล้วก็แล่นตรงไปยังวังพญาไทเมื่อตอนที่พลอยไปถึงนั้นก็มีคนดูมานั่งรอที่โรงละครมากแล้วล่ะค่ะโรงละครก็ประดับไฟฟ้าสีต่างๆแล้วก็ยังเปิดไฟสว่างทางด้านที่นั่งคนดูพลอยไลยเห็นคนที่ไปชุมนุมกันนั้นได้ถนัดทางด้านหน้าออกไปมีเจ้านายประทับอยู่หลายพระองค์ทัดไปอีกทางหนึ่ง ก็เป็นชาวต่างประเทศกลุ่มหนึ่งคุณเปรมบอกว่าเป็นพวกทูตต่อจากนั้นก็มีข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็สตรีบรรดาศักด์มากนะ่าหลายตาตลอดจนพ่อค้าที่เป็นจีนแขกพลอยก็กวาดสายตาไปดูรอบๆนะคะด้วยความตื่นตาตื่นใจลคะค่ะแล้วก็ค่อยๆย่องตามคุณเปรมไปยังที่นั่งทุกคนก็พูดจา ก, กันด้วยเสียงกระซิบ บรรยากาศไม่ผิดกับในที่ชุมนุมในงานหลวงเมื่อก่อนที่จะถึงเวลาเสด็จออกกันนะคะในใจของพลอยเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นการมาดูละครแต่เห็นว่านี่ก็คือการเข้าเฝ้าอยู่นั่นเองพลอยนั่งรออยู่นานพอดูค่ะในที่สุดไฟต่างๆภายในโรงก็ดับลงเป็นสัญญาณว่าละครกาลังจะเริ่มขึ้นแล้ว อีกสักครู่ก็มีเสียงใครกระทุ้งพื้นโรงด้วยของแข็งเป็นสัญญาณดังปังๆอยู่สามครั้งแล้วม่านหน้าโรงก็ค่อยๆเผยออกให้เห็นฉากภายในโรงที่ตกแต่งเอาไว้เหมือนของจริงไม่มีผิดพลอยรีบกวาดตารอบเวทีนะคะแล้วก็ถอนหายใจโล่งอกเพราะว่าบนเวทียังไม่มีในหลวงแต่พลอยก็โล่งอกไปได้ไม่นานนะ เพราะในเวลาอีกไม่กี่นาทีพระเจ้ายูหัวก็ปรากฏพระองค์บนเวทีในบทบาทพระเอกของเรื่องพลอยใจหายวา่าบเมื่อแลเห็นพระองค์ความเคยชินซึ่งติดอยู่ในนิสัยบังคับให้ย่อตัวลงในท่าหมอบทันทีโดยเอาแขนพาดลงบนตักทั้งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แต่แล้วพลอยก็รู้สึกตัว ค่อยๆเลือบดูคนที่นั่งคนอื่นๆก็ไม่เห็นมีใครทําตามนะคะทุกคนนั่งดูละครแล้วก็หัวเราะต่อกระซิกกันอย่างเบิกบานรลอยจึงค่อยๆยืดตัวตรงขึ้นในท่านั่งมิให้ใครสังเกตเห็นแล้วก็พยายามจับตาดูละครต่อไปแม้ว่าจะพยายามดูเพื่อเอาเรื่องเอาเราวให้รู้ว่าละครเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรหรือเป็นมาอย่างไร แต่พลอยก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมสมาธิให้อยู่ที่เรื่องละครได้คงมีตาอยู่เฉพาะแต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวปรากฏพระองค์ในละคร พรอยก็รู้สึกว่าพระองค์ช่างงามสง่าอะไรเช่นนี้และดูสว่างไปทั้งองค์เหมือนกับมีไฟอะไรฉายออกมาจากข้างในผิดไปกับมนุษย์ธรรมดาสามัญอื่นๆบางเวลาที่ทรงแสดงบทถึงตอนที่ต้องเบือนพระพักฉายพระเนตรมาทางคนดูพรอยก็ต้องหลบสายตาลงต่ำามีกล้ามองเต็มพระพักพระพักนั้น พราะรู้สึกว่าดูรไม้คล้ายครึงพระพักสมเด็จพระพันปีทำให้พลอยถึงกับสะดุ้งหลายครั้งด้วยความหวาดเกรงเพราะว่าเคยเกรงมาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเป็นสมเด็จที่บนสมเด็จรีเจนตสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงถึงแม้จะสวรรคตไปแล้วพลอยก็ยังเกรงขามทุกครั้งที่นึกถึง วันนั้นคนอื่นที่ดูละครจะคิดจะรู้สึกอย่างไรพลอยไม่อาจรู้ได้แต่สําหรับใจพลอยถึงแม้ว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพยายามแสดงบทของคนธรรมดาอย่างสนิทสนมสักเพียงใดแต่ความรู้สึกของพลอยก็ไม่สามารถจะคล้อยตามได้พลอยยังคงมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ควรแก่การเคารพยำเกรงเป็นที่สุดอยู่นั่นเองทุกครั้งที่คนอื่นๆแสดงละครเรื่องนั้นเดินเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ยืนพูดจาอย่างคนธรรมดาพรอยก็ต้องสะเทือนใจหวาดเกรงแทนเขาเหล่านั้นว่าจะต้องจันเลยมีอันเป็นไปต่างๆนาน า, นาคุณเปรมเอื้อมมือมาสกิดที่แขนเบาๆเมื่อสตรีคนหนึ่งปรากฏออกมากลางเวที พลอยรู้ได้ทันทีว่าสตรีผู้นั้นคือพระวรกัญญาพลอยเชเงื้อมองด้วยความสนใจเพราะม่ได้เคยเห็นมาแต่ก่อนพลอยนึกในใจว่าท่านก็งามดีแต่ขณะเดียวกันก็อดนึกไปไม่ได้ว่าตนเคยเห็นเจ้านายข้างในบางพระองค์ที่งามกว่านั้นงามขนาดนั่งพิสดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ แต่พลอยก็บอกตัวเองทันทีมีให้คิดฟุ้งซ่านเพราะตาของตนจะเห็นอย่างไรนั้นไม่สำคัญเลยแม้แต่จะนึกเปรียบเทียบความงามของพระวรกัญญากับเจ้านายพระองค์อื่นก็ไม่บังควรพลอยนั่งนึกชมพระวรกัญญาอยู่ในใจว่าทรงแสดงบทบาทละครพูดได้ดีไม่มีขวยเขิน ถ้าเป็นคนอื่นเช่นพลอยอาจจะต้องตัวสั่นขาสั่นไม่สามารถจะก้าวออกมากลางโรงได้ทีเดียวดังนั้นพลอยจึงชมละคร อ, อย่างใจหายใจความตลอดเวลานะคะลุ้นและภาที่ติดตาพลอยอยู่ได้ไม่มีวันลืมก็คือตอนก่อนปิดม่านตอนจบพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอดพระวรกัญญาต่อหน้าคนทั้งปวงที่นั่งดูเสียงพระวรกัญยารับสั่งขึ้นว่าคุณรักฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระเจ้ายูหัวมีพระราชํำรัสตอบในละครว่ารักมาตั้งแต่วันที่ได้เห็นในงานประกวดรูปภาพที่บางปะอินละครปิดม่านเสียงดนตรี เล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีพลอยยังนั่งตกตะลึงอยู่กับที่คุณเปรมสะ ก, กิดให้พรอยลุกขึ้นยืนพรอยยืนขึ้นจากนั้นก็ต้องเบียดกับคนดูที่ต่างพากันเดินทางกลับแล้วก็ต้องยืนหนาวอยู่ที่หน้าโรงละครอีกนานคือคนคงจะเยอะมากกันนะคะใช้เวลานา น, านพอสมควร กว่าที่คุณเพรมจะหารถได้แล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านเป็นยังไงบ้างแม่พลอยคุณเตรมถามพลอยขณะที่พลอยเนี่ยนั่งนิ่งมาในรถมือกอดอกกระชับตัวเพราะความหนาวของอากาศตอนดึกหนาวหน่อย ฉันหมายถึงละครคืนนี้ก็สนุกดีนะคุณเปรมแต่ฉันไม่เคยดูมาก่อนยังดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องและผู้คนก็มากมายเหลือเกินฉันเมาคนแทบจะเป็นลมพลอยไม่กล้า บ, บรรยายความรู้สึกที่แท้จริงของตนต่อคุณเปรมกลัวคุณเปรมจะหาว่าไม่ทันสมัยแต่ก็นึกเอาไว้ว่าจะต้องพูดเรื่องนี้กับใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจตัวเองได้ดีกว่าคุณเปรมนะคะ และคนคนนั้นก็จะต้องเป็นชอยเพราะว่าเคยเห็นอะไรมาด้วยกันแล้วก็ผ่านอะไรมาเหมือนๆกันก็ตามปราษาผู้หญิงละค่ะเวลาที่จะเมาก็ต้องเมากับเพื่อนใช่ไหมคะกับสามีเนี่ยบางทีก็ได้เฉพาะบางเรื่องจะเมากันให้สนุกเนี่ยก็คงไม่เหมือนเพื่อนละในขณะที่คุณเตรมบอกว่าฉันว่าสนุกออกในหลวงท่านทรงละครดีกว่าใครๆทั้งหมดไม่เห็นใครจะสู้ท่านได้สักคน นี่ก็คือสิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่พลอยได้เจอเจอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในแพน่นดินที่แล้วละครเรื่องโพงพางนี้นะคะถ้าคุณฟังท่านคุณฟังบางท่านเนี่ย อ, า, อาจจะเคย อาจจะเคยได้เรียนนะสำหรับละครเรื่องโพงพางดิฉันจำได้ลางๆนะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยเรียนเรื่องนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะละครเรื่องโพงพางเป็นบทพระราชนิพนธ์นะคะในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นาปกาว่า สีอายุทยาค่ะแล้วก็ติดพิ์ครั้งแรกในหนังสือสมุรสารเล่มส7เจดประจําเดือนพฤษภา ค, คมปีพุทธศักราช 2,459 หเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการซ้อนกลจับผู้ร้ายที่พยายามข่มขู่แล้วก็ขโมยเอกสารความลับของทางราชการทหารเรือพระเอกคือนายพลเรือโทรพระยาสมุทธโยทิน ซึ่งได้ใช้วิธีล่อลวงผู้ร้ายคือพระวิสูตรพาณิชย์ที่ใช้วิธีต่างๆแม้กระทั่งใส่ร้ายป้ายสีมาถึงคุณหญิงภรรยาพระยาสมุรนะคะพยาสมุรก็แท้งเชื่อจนผู้ร้ายเนี่ยตายใจแล้วก็จับผู้ร้ายได้ในลักษณะเหมือนล่อให้ปลาเนี่ยเข้ารอบโพงผาเรื่องโพงผางนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่ทรงมีพระราชดำริให้คณะละครเสียอยุธยารมจัดการแสดงในแบบ ชายจริงหญิงแท้คือให้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้แต่ก่อนนี้ถ้าเป็นละครในนะคะคือละครที่แสดงในพระราชวังก็จะต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมดส่วนละครนอกก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมดนะคะแต่อันเนี้ยชายจริงหญิงแท้แล้วก็ชักชวนพระคูมั่นนะคะให้ร่วมแสดงด้วยละครเริ่มซอ้อมเมื่อวันที่22ตุลาคม2463ค่ะ แล้วก็แสดงครั้งแรกนะคะวันที่ 6-7 พฤศจิกายนที่โรงละครในวังพญาไทยหลังจากที่มีการแสดงละครเรื่องพวงพังแล้วในวันที่9พฤศจิกายนค่ะปีเดียวกันก็มีการประกาศพิธีมั่นอย่างเป็นทางการค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของพลอยนะคะ ตอนนี้ตะอั้นกับตาออสจากพลอยไปเรียนต่อที่อังกฤษได้ประมาณปีเศษแล้วค่ะพลอยก็เริ่มเคยชินเคยชินกับการที่บ้านไม่มีตะอั้นกับตาออสเคยชินกับการที่ตาอั้นกับตาออสเนี่ยจะส่งข่าวคราวมาเป็นระยะระยะนะคะ แล้วก็ได้รับรู้ว่าทางผู้ปกครองนักเรียนแนะนำให้ย้ายไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะได้เรียนกฎหมายจนจบที่นั่นคือตาอั้นเนี่ยตอนแรกๆ ก, ก็อยู่กับตาออสที่อังกฤษตอนไปใหม่ๆแต่ว่าพอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ย้ายไปเรียนที่ฝรั่งเศสเพราะว่าตาอั้นเนี่ยอยากเรียนกฎหมายกลายเป็นว่าตาอั้นก็อยู่ฝรั่งเศสในขณะที่ตะออสอยู่อังกฤษ สำหรับพลอยนะคะการที่ลูกสองคนอยู่กันคนละที่คนละประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรกับความรู้สึกของพลอยเลยเพราะว่าจากฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยก็เป็นเมืองนอกด้วยกันทั้งนั้นและพลอยก็ไม่มีความรู้นะคะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยไกลกันขนาดไหนแล้วก็ต่างกันยังไง แล้วก็ยังคงเชื่ออยู่ในใจว่าตาอั้นกับตาออสเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันคือเมืองนอกก็เมืองนอกเหมือนกันนะนะคะเมืองฝรั่งก็เมืองฝรั่งเหมือนกันตาอั้นนั้นยิ่งจากบ้านไปนานก็ยิ่งดูเป็นคนเอาการเอางานแล้วก็คงแก่เรียนขึ้นทุกวันจดหมายของตาอั้นทุกฉบับเนี่ยก็จะเป็นจดหมายสั้นๆบอกให้รู้ทุกสุขโดยไม่มีรายละเอียดถ้ามีก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนซึ่งพลอยอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ ในขณะที่จดหมายของตาออดเนี่ยจะตรงกันข้ามจะเต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่บางทีก็อธิบายเรื่องธรรมชาติดินฟ้าอากาศจนกระทั่งพลอยรู้สึกเข้าใจเหมือนกับได้ไปเห็นด้วยจริงๆนะคะตาออดที่เป็นเด็กที่มีความจําในเรื่องเล็ ก, ลกๆน้อยๆที่ลืมไปแล้วแต่ตาออดก็ยกเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยกลับมาอุปมาอุปไมยเทียบกับของใหม่ที่ได้พบเห็นจนพลอยเข้าใจได้ อย่างเช่นเมื่อถึงคราวหน้าหนาวแรกที่ตตออสไปพบในอังกฤษแน่นอนว่าหน้าหนาวของอังกฤษกับเมืองไทยเนี่ยต่างกันลิบลับนะคะแตออดก็เขียนจดหมายมาเล่าให้พรอยฟังว่าลูกได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรกในวันนี้เองก่อนที่มันจะตกลงมานั้นหนาวกระดูกแทบจะแตกท้องฟ้าก็มืดครึ้มไปหมดแต่พอหิมะตกเสียแล้วก็ค่อยยังชั่วหนาวขึ้นเวลามันตกลงมาไม่เหมือนฝนมันค่อยๆร่วงลงมา แม่จำต้นงิ้วใหญ่ที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านเราได้ไหมวันที่ลูกงิ้วแตกเป็นปุยเต็มต้นแล้วแม่นั่งอยู่กับลูกที่ข้างตึกพอมีพายุฝนกำลังจะมาปุยงิ้วก็หลุดจากต้นปลิวออกเต็มไปสีมันขาวๆ ข, ขับกับท้องฟ้าที่มืดอยู่ข้างหลังเวลาหิมะตกก็ดูเหมือนอย่างนั้น หรือว่าเมื่อตาอั้นข้ามไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะคะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งตาออดก็เขียนมาว่าพี่อั้นเขาข้ามไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อนพอเขาไปได้ไม่กี่วันลูกก็ต้องมาเข้าโรงเรียนแม่นึกไม่ออกหรอกว่าโรงเรียนฝรั่งเนี่ยมันกันดารยังไงหนาวก็เท่านั้นไฟจะพิงก็ไม่มีแล้วก็ยังมีระเบียบข้อบังคับอื่นๆ อ, อ, อีกมากมายใครทาไม่ถูกก็ต้องถูกทําโทษลูกมาถึงใหม่ๆ รั่งมันล้อเสียแย่ไปเลยแต่อยู่ไปเห็นลูกไม่ถือมันก็เลิกล้อไปเองแต่ถ้าพี่อั้นมาอยู่ก็คงจะลําบากเพราะพี่อั้นเขาเป็นคนเอาจริงไม่ชอบล้อกันเล่นเรื่องอาหารการกินนั้นดูไม่ได้ทีเดียวกินกันหิวไปวันหนึ่งๆเท่านั้นวันหนึ่งกินสองมื้อกับข้าวเหมือนกันทุกวันตอนแรกลูกเกือบกินไม่ลงแต่ตอนหลังหิวเข้าก็กินลงไปเอง เพราะดีที่มันให้มากกินเท่าไหร่ก็ได้ที่ลูกเล่ามาให้ฟังเพื่อที่แม่จะได้รู้ไว้แต่แม่อย่าวิตกไปเลยพอลูกไม่ลําบากอะไรถึงจะลําบากบ้างก็ดีซะอีกพอลูกจะได้รู้ว่าแม่เคยเลี้ยงลูกดียังไงถ้าไม่ได้มาเมืองนอกลูกก็คงไม่รู้เมื่อก่อนเข้าโรงเรียนลูกคิดถึงบ้านบ่อยๆคิดถึงทีไรก็คิดถึงเอามากๆแต่มาอยู่โรงเรียนนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่ง คือไม่มีเวลาเป็นของตัวเองที่จะมานั่งคิดถึงบ้านวันหนึ่งๆเขาบังคับให้ทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยถ้าไม่เข้าโบสสวดมนต์ก็เรียนหนังสือเลิกเรียนก็ต้องเล่นกีฬาใครไม่เล่นไม่ได้นอกจากป่วยเลิกเล่นกีฬาพออาบน้ําเสร็จสักครู่หนึ่งก็ตีระฆังให้ทาการบ้านทําการบ้านเสร็จก็สวดมนต์นอนพอเข้าเตียงนอนก็ต้องรีบหลับ เพราะว่าเขาจะสั่นระครังปลุกแต่เช้ามืดพอตื่นเช้าก็ต้องอาบน้ำเย็นก่อนอื่นมาอยู่แรกๆแทบแย่ทีเดียวแต่ออสเล่าว่านักเรียนที่นั่น แยกกันอยู่เป็นบ้านๆ บ, บ้านหนึ่งก็มีครูคุมคนหนึ่งครูที่คุมก็จะทําหน้าที่ดูแลนักเรียนที่อยู่ในบ้านแล้วก็มีนักเรียนที่ครูตั้งให้เป็นหัวหน้าเนี่ยสองสามคนเพื่อที่คอยดูแลความประพฤติของอนักเรียนในห้องนะคะนักเรียนที่เป็นหัวหน้ามีอํานาจบังคับปัญชานักเรียนอื่นๆแล้วก็สามารถจะลงโทษนักเรียนอื่นๆได้วิชาที่เรียนก็ไม่ได้ยากอะไร อันนี้จากความคิดของตาออสนะคะตาออสบอกว่าวิชาเลขลูกก็เรียนมาจากเมืองไทยหมดแล้วภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ก็พอรู้เรื่องไปยากอยู่ที่ภาษาละตินซึ่งไม่เคยเรียนและก็ต้องเรียนให้ทันฝรั่งภาษาอะไรก็ไม่รู้บ้าหรือเกินอย่างคําว่าโตะ๊ะถ้าพูดถึงโตะ๊ะเฉยๆก็เรียกไปอย่างหนึง่งถ้าทุบโตะ๊ะก็เรียกไปอีกอย่างหนึง่งและถ้าเดินไปที่โตะ๊ะหรือเดินมาจากโตะ๊ะ ก็เรียกไปอีกอย่างหนึง่งที่ลูกเห็นขันหน้าหัวรอกก็คือถ้าเราจะพูดว่าโต๊ะเอ๋ยเขาก็อุตสาหสอนให้รู้วิชาที่จะเรียกโต๊ะว่าอย่างไรถ้าลูกกลับมาบ้านแล้วนั่งพูดกับโต๊ะแม่ก็ยันไม่กว่าลูกบ้าไปเสร็จแล้วก็ลับกันเพราะภาษาละตินนั้นมีคําที่จะพูดกับโต๊ะได้ลูกมาอยู่ทั้งนี้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไม่นานนักแต่พอมันนับดูเข้าจริงๆก็เห็นว่านานโข อ, อยู่แล้ว ลูกเลยดีใจเพราะจะได้กลับมาหาแม่เร็วๆหวังว่าแม่จะคิดถึงลูกบ้างแต่อย่าให้มากเกินไปนักเดี๋ยวจะไม่สบายคุณเฟรมอ่านจดหมายตาออดแล้วก็ตีสีหน้าชอบกลทุกครั้งไปแล้วก็มักจะบ่นว่าลูกไม่พลอยคนนี้นี่มันแปลกบางทีฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันพูดเรื่องอะไรของมันถึงแม้ว่าตาอัดจะสั่งมาในจดหมายว่าไม่ให้พลอยวิต ก, กังวลในเรื่องของความทุกข์ความสุขของ ของอของลูกมากนักกันนะคะแต่พลอยเนี่ยก็ยังอดที่จะวิตกวิจาร์ไปเองไม่ได้ที่วิตกนั้นก็มีอยู่สองเรื่องละค่ะเรื่องหนึ่งก็คือศาสนาเพราะตาออตบอกว่าต้องเข้าโบส์สวดมนต์ที่โรงเรียนนะคะอีกเรื่องนึงก็คืออาหารการกินเพราะตาออสบอกว่ากินข้าวไม่อร่อยแต่เมื่อมีจดหมายไปถามตาออก็ตอบว่าเรื่องศาสนานั้นแม่อยากคิดมากไปเลยที่โรงเรียน เขาบังคับให้เข้าโบสทุกคนเราไม่ได้ถือของเขาก็จริงแต่คนอื่นเขาเข้ากันหมดจะให้ลูกไปนั่งอยู่นอกโบสคนเดียวก็ดูกระไรอยู่เวลาเข้าโบสเขาจะสวดจะร้องเพลงลูกก็ตามเข้าไปบางทีของเขาก็เพราะดีเหมือนกันจะได้รู้ได้เห็นว่าฝรั่งเขาสวดมนกันอย่างไรแต่ใจของลูกก็ยังเป็นพุทธพระที่คุณลุงหลวงให้มาลูกก็เก็บไว้ที่หัวนอนก่อนจะนอนก็สวดมนต์อย่างที่แม่เคยสอนตั้งแต่เด็กๆ แม่ควรจะดีใจเสียอีกเพราะถ้าลูกเป็นอะไรไปจะมีสวรรค์ขึ้นได้ถึงสองแห่งสวรรค์ไทยก็ได้สวรรค์ฝรั่งก็ได้นี่จดหมายของตาออดก็จะน่ารักอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องของกินค่ะความเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งของพลอยนั้นตาออดบอกว่าที่แม่บอกว่าจะส่งของกินมาให้จากเมืองไทยนั้นดีเหมือนกันแต่ต้องคอยเวลาโรงเรียนหยุดจะทําที่โรงเรียนไม่ได้เมื่อลูกยังอยู่กับเพื่อน เคยลองทำกับข้าวไทยเหมือนกันเพราะดีที่ลูกชอบอยู่กับแม่เสมอเวลาทำกับข้าวจึงรู้วิธีพอถูถยไปได้ถ้าหากจะมีติดขัดก็อยู่ที่เรื่องของกินที่มักจะหาได้ไม่ครบเหมือนที่บ้านเราเข้าสารนั้นมีขายฝรั่งมันซื้อมาทำขนมกินอาทิตย์ละครั้งเอามาต้มกับนมกับน้ำตาลกินไม่ลงคอเลยเวลาฝรั่งเขาซื้อข้าสารเขาซื้อกันทีละน้อย เพียงหยิบมือเดียวก็พอแต่พอลูกกับพี่อั้นไปซื้อมาถุงหนึ่งมันตกใจกันมากไม่รู้ว่าเราจะเอาไปกินได้อย่างไรหมดทีแรกเราก็ทํากับข้าวง่ายๆไข่เจียวบ้างหมูหวานบ้างแกงบะช่อบ้างตอนหลังเลยกําเริบถึงแกงเผ็ดเนื้อบัวประดักประเดิดเต็มทีมะพร้าวก็มีแต่มะพร้าวแห้งสําหรับใช้ทําขนมเวลาจะใช้ต้องชงด้วยน้ําร้อน ขันกะทิร้อนจนมือแทบพองแต่ออจึงเล่าถึงการตำน้าพริกแกงนะว่าก็ขลุกขลักพอดูแล้วค่ะคือหัวหอมกระเทียมนั้นพอหาได้แต่ผิวมะกรูดเนี่ยไม่มีต้องใช้ผิวมะนาวแทนกะปิก็ใช้กะปิฝรั่งที่เรียกกันว่าแอนโชวี่ขาไม่มีก็ไม่เป็นไรเครื่องเทศมียี่ราพริกใช้พริกปน่นที่ขาดมากก็คือตะไคร แต่ออดบอกว่าไปซื้อน้ำมันตะไคร่จากร้านขายยามาใส่ลงสองสามหยดแกงเกือบสุกแล้วตาอันมาดูบอกว่าไม่เห็นจะเหมือนของจริงเลยแล้วก็ไม่มีมะเขือพวงด้วยนะคะแต่ออดก็เลยเอาถั่วกระป๋องใส่ลงไปให้ดูคล้ายๆกับมะเขือพวงเสร็จแล้วก็กินกันอร่อยเต็มทีแต่ว่าเหมือนแกงเผ็ดก็ไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นอะไรเผ็ดๆที่กินกับข้าวได้ดีกว่าของฝรัง่ง พวกฝรั่งที่อยู่บ้านเดียวกันมามองมองดูว่าอะไรลูกก็บอกว่ากับข้าวไทยมันขอกินก็ให้เหมือนกินหน้าตามันแดงไปหมดบอกก็เผ็ดร้อนราวกับไฟแต่มันก็ยังปากแข็งว่าอร่อยหน้าหนาวคราวที่แล้วลูกเห็นฝรั่งเอาพริกชี้ฟ้าสีเขียวสีแดงมาขายแยะเขาซื้อไปประดับบ้านเวลาตรุษฝรั่งลูกซื้อมากินมันตกใจกันใหญ่บอกกันว่าท้องเราทาจะทาด้วยทองแดง เรื่องกับข้าวไทยนั้นถ้าไม่ทํากินเองก็พออาศัยกับข้าวเจ๊กได้แต่ร้านขายกับข้าวเจ็กมีอยู่ในลอนดอนเขาไม่ค่อยให้ลูกได้ไปอยู่จะมีก็แต่เวลาเดินทางผ่านเท่านั้นอยู่บ้านนอกจึงต้องทํากินเองเสมอเรื่องกับข้าวไทยนี้เสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่เมื่อกินแล้วเหม็นกระเทียมทําอย่างไรก็แก้ไม่หายฝรั่งมันเหม็นเสียจริงๆทีเดียวได้กลิ่นเข้าทําหน้าไม่ดีจนแววไลาเห็นได้ กระเทียมสดสดนั้นก็ไม่สู้อะไรนะักถ้าใส่กลีบสองกลีบก็เหม็นอยู่ไม่นานที่เหม็นมากและเหม็นนานก็คือพริกเผาและข้าวเม่ามีคือสำหรับพริกเผาและข้าวเม่ามีเนี่ยพลอยกออ็ทำส่งไปให้ลูกกันนะคะปรากฏว่ากินเข้าไปแล้วกลิ่นออกทุกรูกคุมคนเลยทีเดียวแต่ออดบอกว่า จะล้างปากอมอะไรก็ดับกลิ่นไม่ได้คือออกหมดเลยเาตาออดกับตาอัานเนี่ยกินน้ำพริกเผาทาขนมปังแล้วก็ไปดูหนังปรากฏว่าคนที่นั่งใกล้ๆทั้งข้างๆข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยลูกหนีกันไปหมดเลยแล้วก็บน่นพึมพำพึมพำว่าเหม็นอะไรก็ไม่รู้ขากลับนั่งรถไฟไต้ดินกลับบ้านนะคะฝรั่งก็ไม่กล้ามานั่งใกล้ บอกว่าเหม็นแต่ออยก็เลยมองอย่างอารมณ์ดีว่าคิดไปก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเบียดคนแต่ในที่สุดนะคะแต่ออยก็ปรับตัวได้ละค่ะโดยบอกว่าตอนนี้ชักจะกินกับข้าวฝรั่งอร่อยซะแลว้วเหมือตอนที่จากเมืองไทยใหม่ๆเนื้อแกะลู ก, กว่าเหม็นกินไม่ลงเดี๋ยวนี้กลับอร่อยเพราะมันมีกลิ่นอย่างนั้นเนยแข็งนั้นตอนแรกๆ พอได้กลิ่นก็ต้องยกมืออุดจมูกแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นของหอมน่ากินลูกคิดว่าฝรั่งที่เขาว่าเหม็นกระปีน้ำปลานั้นถ้ามาอยู่เมืองไทยนานๆเข้าก็คงจะหอมกินได้อย่างเรื่องเหม็นกระเทียมถ้ากินกันทุกคนอย่างในบ้านเราก็คงจะไม่ได้กลิ่นเพราะต่างคนต่างเหม็นซะแล้วแต่ถ้าเราไปกินอยู่คนเดียวในหมู่คนที่เขาไม่ได้กินก็เหม็นแย่ไปเลยถ้าแม่จะส่งของกินมาให้ลูกก็ขอให้ส่งพวกเครื่องแกง ขาแตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้เพราะทั้งนี้หาไม่ได้น้ำปลานั้นสำคัญมากชาจะทำกับข้าวไทยแล้วไม่มีน้ำปลากระดูขาดรถหมดเรื่องทีเดียวลูกเคยเอาปลามาหมักในเกลือดูทีหนึ่งนึกว่ามันจะเป็นน้ำปลาแต่มันก็ไม่เป็นทิ้งไว้ต้องนานพอเปิดขึ้นมาก็เหม็นสามบ้านเจ็ดบ้านพวกคนที่อยู่บ้านข้างๆมันมาตบประตูเอะอะ นึกว่าเราทิ้งอะไรให้เน่าอยู่ในบ้านต้องขุดหลุมฝังกันแทบตายเลยทีเดียวจดหมายของตอ๊ดฉบับนี้นี่ทำให้พลอยดีใจนะคะเพราะว่าตะอ๊อดระบุมาแน่นอนว่าต้องการอะไรบ้างพลอยก็รีบจัดการค่ะเตรียมของแห้งของเค็มต่างๆเยอะราวกับจะให้คนกินได้เป็นร้อยๆนะคะมีผู้คนเด็กเล็กในบ้านเท่าไหร่ก็เรียกกันมาช่วยหัน่นช่วยตากช่วยทา บางคืนก็นั่งทําของที่บรรจุขวดส่งไปให้ลูกกินที่เมืองนอกจนดึกดื่นคนที่มาช่วยพลอยในการนี้มากอีกคนหนึ่งก็คือคุณอุ่นนั่นเองนับตั้งแต่คุณอุ่นมาอยู่กับพลอยที่บ้านนะคะคุณอุ่นก็ทําให้พลอยประหลาดใจหลายครั้งครั้งแรกเลยเนี่ยคือวันที่คุณอุ่นขนของมาที่บ้านคือพลอยได้ยินมาว่าคุณอุ่นถูกคุณชิดปอกลอกจนหมดตัวแต่ก็ไม่เคยเข้าใจจริงๆว่าหมายความว่ายังไง จนกระทั่งตอนที่คุณอุ่นขนของเข้าบ้านคือพลอยเนี่ยเคยเห็นตอนเด็กๆว่าคุณอุ่นเคยนั่งอยู่ในกองสมบัติท่ามกลางหีบเหล็กและตู้ที่เรียงรายรอบตัวนะคะคือนั่งท่ามกลางกองทรัพย์สมบัติมากมายแต่ตอนที่คุณอุ่นเข้ามาอยู่ด้วยมีเพียงที่นอนหมอนมุง้งหีบใส่ของไม่กี่ใบพอพลอยถามบอกว่ายังมีของใดเหลืออีกบ้างที่ยังขนมาไม่หมดจะได้ให้คนไปช่วยขน คุณอุ่นก็ตอบอย่างหน้าเศร้าว่าไม่มีหรอกไม่พ้อยทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเหลือแต่เพียงเท่านี้แหละที่เป็นของตัวเองพรอยก็ใจแห้งไปด้วยความสงสารแล้วก็ตั้งใจว่าจะหาความสุขให้แข่คุณอุ่นในยามชราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เมื่ออยู่ด้วยกันไปพลอยก็ต้องประหลาดใจอีกครบสอง เมื่อรู้ว่าจริงๆแล้วคุณอุ่นไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิตความสุขของคุณอุ่นในยามนี้คือการที่ได้อยู่กับตัวของตัวเองมากที่สุดอย่างสงบโดยไม่มีใครมารบกวนพรอยกบ้านให้คุณอุ่นอยู่หลังหนึ่งนะคะโดยให้อยู่กับเยปริกที่เป็นเอ่อเป็นคนใช้เก่าแก่ของคุณอุ่นแล้วก็ส่งเด็กผู้หญิงให้ไปช่วยดูแลอีกคนหนึ่งคุณอุ่นก็พอใจที่จะอยู่บนเรือนหลังนั้นอย่างสงบ ไม่ออกมารบกวนใครจนบางครั้งพลอยแทบจะลืมไปว่ามีคุณอุ่นอยู่ในบ้านด้วยอีกคนหนึ่งและทุกครั้งที่พลอยขึ้นไปเยี่ยมบนเรือนคุณอุ่นก็จะต้อนรับด้วยความดีใจแล้วก็แสดงความเป็นกันเองโดยเรียกให้นั่งตรงที่คุณอุ่นนั่งอยู่บางครั้งที่คุณเปรมติดตามไปเยี่ยมด้วย คุณอุ่นจะต้อนรับอย่างรับแขกคือถ้าพลอยไปเนี่ยก็จะต้อนรับแบบเป็นกันเองแต่ถ้าคุณเปรมไปก็จะโอ้โหต้อนรับแบบเป็นทางการเรียกให้เด็กเอาพรมมาปูที่ระเบียงเรือนชงน้ําร้อนน้ําชาเอาหมากพรูบุรี่มาตั้งคุณอุ่นนั่งคุยกับคุณเปรมแล้วก็เรียกคุณเปรมว่าท่านอย่างสงบสงเสงียมหลายครั้งเข้าคุณเปรมก็ชักจะเก้อแล้วก็ปรารถกกับพลอยว่าแม่พลอย พี่สาวใหญ่ของแม่พลอยนี่เมื่อไหร่จะรับฉันเป็นน้องเคยสักทีฉันไปทีไรเธอรับฉันเราก็เป็นเจ้าพระเดชนาะพระคุณจนฉันนี่เกิดเต็มทีแล้วนะอาอ้าวแล้วคุณเป้ไม่ชอบหรือจะได้มีพี่เมียที่คอยยกย่องแล้วก็คอยนั่งประนมมือแบบนี้นะ่ะแม่พลอยนี่ก็พูดเล่นไปได้เราเห็นเธอเป็นผู้ใหญ่เคยไหว้เคยกราบเดี๋ยวนี้ เธอกลับมาประนมมือเอาฉันเข้าโฮ้ยฉันไม่เอาละกลัวอายุจะสั้นเสียเปล่าๆแม่พลอยเตือนเธอเสียบ้างไม่ได้หรือคุณเพรมก็อย่าไปถือคนแก่ก็แล้วกันพลอยพูดเปียงบายคือจริงๆอ่ะนึกไม่ออกว่าจะไปเตือนคุณอุ่นไว้ยังไงนะคะแต่เท่าที่พลอยดูคุณอุ่นปฏิบัติกับตนแล้วก็คุณเพรมแล้วก็คนอื่นๆในบ้านก็คิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณอุ่นถอดเขี้ยวถอดเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะ รายเป็นคนดีที่รู้สึกตัวว่าได้ทำผิดไปแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างที่จะช่วยลบล้างความผิดของตนในอดีตแม้แต่นางพิษเองซึ่งคอยรับมืออยู่แต่แรกก็ขึ้นมาหาพลอยยกมือเช็ดน้ําตาแล้วก็บอกว่าคุณพลอยทูลหัวของพิษคุณทำคุณแก่คนแก่ที่หมดที่พึ่งได้บุญเป็นนักเป็นหนาบ่าวเห็นคุณอุ่นแล้วก็ใจอ่อนทาอะไรไม่ลงคิดไป เธอก็เป็นลูกนายขึ้นไปกราบตีนเธอบนเรือนเธอก็พูดด้วยดีเหมือนกับไม่เคยมีเรื่องบางทีบ่าวเองจะเป็นคนไม่ดีเมื่อก่อนเธอจะด่าว่ามาบ้างก็ช่างเถอะบ่าวยกให้หมดแล้วพลอยก็เลยรู้สึกว่าคุณอุ่นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะคะ แต่ปรากฏว่าความเข้าใจของพลอยก็ไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดคือคุณอุ่นนั้นเปลี่ยนไปเฉพาะกับบางคนแต่กับบางคนคุณอุ่นยังเหมือนเดิมพลอยมารู้ความจริงข้อนี้เมื่อตอนที่คุณเฉยมาถึงบ้านคือคุณเชยเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาคืนดีกับคุณอุ่นนะคะตามที่ได้เคยบอกพลอยเอาไว้ทีนี้วันหนึ่ง พรอยก็พาคุณเชยขึ้นไปหาคุณอุ่นถึงบนเรือนตอนนั้นคุณอุ่นนั่งปอกผลไม้อยู่ที่ระเบียงมีประภัยซึ่งคุณอุ่นรักมากเป็นพิเศษนั่งอยู่ข้างๆคอยกินผลไม้ที่คุณอุ่นปอกให้พอพลอยขึ้นเรือนไปแล้วก็มีคุณเชยตามหลังไปติดๆคุณอุ่นเลี้ยวมาดูยิ้มแล้วก็พูดว่าอะแม่พลอยมาพอดีทีเดียวพี่ว่าอีกประเดี๋ยว พี่จะส่งมะปรางริ้วขึ้นไปให้บนตึกนี่กำลังปอกให้ประภัยเขาดูว่าจะให้เขาลองปอกบ้างก็ยังไม่ไว้ใจกลัวมีดจะบาดมือตอนแรกๆเนี่ยคุณอุ่นยังมองไม่เห็นคุณเชยซึ่งตามมาข้างหลังนะคะก็พูดจากกับพลอยดีแต่ทีนี้พอคุณอุ่นเห็นคุณเชยแล้วเนี่ยพลอยก็ตัวเย็นวาบทันที รู้ได้ทันทีว่าคุณอุ่นก็ยังคงเป็นคุณอุ่นคนเดิมอยู่นั่นเองเพราะว่าสายตาของคุณอุ่นที่มองคุณเชยนั้นยังไม่ได้ยกโทษให้คุณเชยเลยแม้แต่น้อยเอ่อคุณเชยบอกว่าจะมาหาคุณพี่อีฉันก็เลยพาขึ้นมาด้วยคือพลอยนี้ก็เลยกลับกลายเป็นเด็กเหมือนเดิม ทำอะไรไม่ถูกเมื่อรู้ว่าเสือยังไม่ถอดเขี้ยวถอดเล็บสัทีเดียวนะคะคนอุ่นก็กลับมาเป็นคนเดิมฉันมีน้องเหลือแต่ไม่พลอยคนเดียวคนอื่นเป็นพี่ต่างท้องน้องต่างไส้บางทีเขาอยากจะมาดูฉันให้สมน้ำหน้าสะใจกระมังคุณอุ่นพูดโดยไม่เงยหน้าจากมะปรางริ้วที่กําลังปอกอยู่คุณเชยก็ใจแป้วไปเลยโธ่คุณพี่ก็ ฉันตั้งใจมาหาจริงๆฉันพูดกับแม่พลอยเขาไว้นานแล้วแล้วคุณเฉยก็หันมามองหน้าพลอยทำท่าเหมือนกับจะร้องไห้ในขณะที่คุณอุ่นนั้นก็ยังคงใจแข็งเรือนหลังนี้แม่พลอยยกให้ฉันอยู่ฉันก็อยู่พอดีตัวแต่บางเวลาเมื่อมีคนใหญ่โตมีบุญวาสนาขึ้นมาบนเรือนฉันก็รู้สึกว่ามันแคบไปบ้างไม่มีที่ที่จะรับรอง อย่างแม่พลอยไม่เป็นไรเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันยากดีมีจนฉันก็ไม่ต้องอายคุณเฉยก้มหน้านิ่งในขณะที่พลอยก็รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงไปเป็นกองความรู้สึกเหมือนกับคุณเชยว่าตนนั้นได้คบคิดกับคุณเชยไปทำผิดอะไรมาแล้วก็ต้องถูกคุณอุ่นที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยดุว่า ความรู้สึกที่เคยกลัวคุณอุ่นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมบริบูรณ์คอยนึกด้วยความประหลาดใจว่าคุณอุ่นนั้นถึงจะอาพับอับโชคอย่างไรในปัจจุบันแต่ก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเกรงขามและเป็นพี่สาวใหญ่ของพลอยและคุณเชย อ, อยู่นั่นเองอยากไม่มีปัญหา อีชั้นมากราบขอขมาคุณพี่ขอใคุณพี่เอโหสิกำให้อีชั้นด้วยเถอะหากวีชั้นได้ทําอะไรให้คุณพี่ผิดพ้องหมองใจคุณพี่จะด่าจะว่าอีชั้นยังไงก็ยอมขอเพียงคุณพี่เอโหสิให้อีชั้นจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันต่อไปยกโทษให้คุณเธอเถอะค่ะคุณพี่ถือว่าเห็นแกอีชั้นเถอะอีฉันฉ้นขอล่ะพี่น้องก็เหลือกันอยู่แค่ไม่กี่คน ฉันก็อยากให้รักค่ายปลองดองกันเอาไว้เมื่อแม่พลอยออกปากขอฉันทั้งทีฉันก็ยกให้แต่ฉันขอบอกไว้ก่อนนะเมื่อตั้งแต่พ่อแม่ตายลงฉันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องปกครองน้องๆต่อไปแม่พลอยเองก็คงจะเกลียดฉันมาก แต่แม่พลอยก็ไม่เคยทำให้ฉันต้องอับอายขายหน้าแม่พลอยทำตัวถูกตลอดมาฉันจะดุว่าหรืออธรรมอย่างไรกับแม่พลอยคำน้อยแม่พลอยไม่เคยปริปากโตเถียงฉันเพราะแม่พลอยทำตัวดีฉันจึงเห็นความดีของแม่พลอยจิงบากหน้ามาหาแต่คนที่เขากล่าวว่าเขาเป็นน้องในไส้ฉันนั่นซะอีกเขากับลุกแก่โทรศัก เอาแต่ใจตัวนึกจะขึ้นเสียงทุ่มเถียงฉันอย่างไรเขาก็ทำได้ไม่ไว้น้าแต่เรื่องนั้นก็พอทำนอแต่ตอนที่เขาหนีตามผู้ชายไปนี่สิทำให้ฉันต้องอับอายขายหน้ามากเสียชื่อฉันคนเดียวน่มันไม่เป็นไรหรอกแต่มันเสื่อมเสียไปทั้งวงตระกูลฉันจึงเสียใจนักตั้งใจว่าชาตินี้จะไม่ดูผีกัน แต่แม่พลอยมีพระคุณต่อฉันออกปากขอฉันทั้งทีก็เอาเถอะฉันจะเอาหัวสิกให้นั่งจะตามสบายเถอะแม่เฉยเป็นอันว่าเลิกแล้วต่อกันไม่ถือโกรธอีกต่อไปทีนี้จะไปมาหาสู่กันก็ได้ก้าขอบพระคุณคุณพี่เจ้าค่ะ คุณอุ่นยอมยกโทษให้กับคุณเชยแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์บ้านคลองบางหลวงให้กับพลอยโดยมีข้อแม้ว่าพลอยจะต้องยกบ้านหลังนั้นให้กับประไพซึ่งเป็นหลานคนโปรดของคุณอุ่นนะคะพลอยจึงชวนพ่อเพิ่มไปสำรวจแล้วก็เป็นการไปเยี่ยมบ้านคลองบางหลวงซึ่งเป็นบ้านเรียก่าเป็นบ้านเกิดแล้วก็เป็นบ้านเก่าแก่ของพลอยนะคะเป็นบ้านที่พลอยรัก แต่ว่าเมื่อไปถึงก็ต้องพบกับความทุดโทมที่น่าใจหายตั้งแต่ศาลาท่าน้ำจนกระทั่งถึงตัวตึกและในขณะที่พลอยกำลังสำรวจบ้านก็มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาทักทายพลอยพลอยงงจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครคุณพลอย จำบ่าวไม่ได้เสียแล้วหรือพรอยก็ยังคงงงฉันจําไม่ได้จริงๆใครกันนี่พวงเจ้าค่ะหญิงคนนั้นพูดขึ้นแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นพรอยใจหายว่าพวงหรือนี่โท่ฉันจําไม่ได้จริงๆแม้พวงสู้ผอมไปมาก เจ็บไข้อะไรไปหรือเปล่าคือจริงๆพวงไม่มีฐานะเป็นพี่สะั้ยของพลอยนะคะเพราะว่าเป็นภรรยาคนแรกของคุณชิดพวง ก, ก็ก้มหน้าร้องไห้แต่ก็ตอบพลอยว่าบ่าวนึกว่าคุณพลอยจำบ่าวไม่ได้เสียแล้วบ่าวไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะสูปผอมไปอย่างนี้เอง พอเพิ่มก็ถอนใจเบาๆด้วยความสงสารนะคะแม่พวงคุณชิดอยู่ไหนกันล่ะคุณไม่อยู่หรอกเจ้าคะ่ะหายไปนานแล้วไม่กลับมาเลยบ่าวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อคุณใหญ่ข้ามฟากไปอยู่กับคุณพลอยใหม่ๆก็ยังไปมาบ้างเป็นบางครั้ง แต่ตอนนี้ก็หายไปเลยพลอยก็เลยถามถึงห ล, ลานนะคะหมายถึงลูกของคุณชิดกับแม่พวงและหลานชื่นเป็นอย่างไรบ้างล่ะสบายดีทุกคนหรือไม่พวงของบ่าวมีอยู่สองคนเท่าที่คุณเคยเห็นนั่นแหละเจ้าค่ะแต่คนผู้หญิงเสียเสียแล้วเหลือคนผู้ชายคุณก็เอาไปด้วยเวลานี้บ่าวอยู่คนเดียวเจ้าค่ะ พอยฟังแล้วก็โอ้โหสงสารจับใจอยากจะพูดจาปลอบโยนอยากจะช่วยเหลือสัตว์ไม่มีบาปผู้ที่โชคชะตาบันดาลให้ต้องรับเคราะห์กรรมอันหนักถ้าคุณชิดไม่เกิดต้องใจในตัวพวงป่านนี้พวงก็คงจะได้ลูกผัวที่เหมาะสมแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขตามควรแก่ฐานะแต่เคราะหกรรม บังคับให้พวงต้องมาเป็นเมียนายเพื่อที่จะได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในบ้านเก่าๆที่เกือบจะร้างเพราะขาดการดูแลไปไหนก็ไม่รอดคนเก่าๆยังมีใครเหลืออยู่บ้างไหมแม่พวงไม่มีแล้วเจ้าค่ะเหลือแต่พวงคนเดียวเมื่อทันสิ้นบุญและเผาแล้วคนเก่าๆ เ, เขาก็พากันออกไปเสียมากที่เหลือก็มีแต่คนแก่ๆ ค่อยตายค่อยหมดไปบางคนลูกหลานเขาก็มารับไปอยู่ด้วยบ่าวจะไปกับเขาบ้างก็ไม่รู้จะไปทางไหนคนรู้จักกันเข้ามาขออาศัยอยู่ที่โรงครัวบ่าวก็เลยให้เขาอยู่เพราะว่าจะได้มีเข้าไว้เป็นเพื่อนพวง ก, ก็พูดแก้ตัวเหมือนกับกลัวพลอยจะดุนะคะที่อนุญาตให้คนอื่นเนี่ยมาอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรหรอกแม่พวง ดีแล้วล่ะจะได้มีใครเป็นเพื่อนบ้างเดี๋ยวนี้คนข้างนอกเขาใช้เป็นทางเดินผ่านลงไปท่าน้ำบ้างอาบน้ำซักผ้าลงเรือบ้างบ่าวก็ไม่มีปัญญาจะไปห้ามเขาได้เพราะบ่าวก็เป็นผู้หญิงคนเดียวช่างก็เถิดแม่พวงฉันเห็นใจแล้วก็ขอบใจแม่พวงมากที่ยังคอยเป็นหูเป็นตาไม่ทิ้งบ้านแม่พวง อ, อยู่ต่อไปเถอะ ฉันจะหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนและจัดการบ้านนี้ให้เรียบร้อยว่าแล้วพลอยก็เปิดกระเป๋าถือที่ถือไปด้วยนะคะแล้วก็หยิบเงินออกส่งให้พวงห้าสิบบาทฉันไม่ได้เอาเงินติดตัวมามากไม่ได้นึกว่าจะมาพบใครแม่พวงเอาไว้ใช้ก่อนเถอะวันหลังฉันจะส่งมาให้อีกห้าสิบาทนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะกับช่วงเวลานั้นระหว่างที่นั่งเรือกลับบ้าน พลอยก็นั่งรำพึงถึงพวงด้วยความสงสารจับใจมาตลอดทางพอลงเรือพอเพิ่มก็ถามพลอยว่าจะจัดการอย่างไรกับบ้านหลังนั้นนี่แม่พลอยจะทําอย่างไรกับบ้านหลังนั้นล่ะก็คุณหลวงเห็นว่าฉันควรจะทําอย่างไรเล่าถ้าเป็นของฉันฉันก็จะให้ใครเขาเช่าหรือว่าขายไปซะให้หมดเรื่องหมดราว ทิ้งเอาไว้ก็รังแต่จะก่อความกังวลเห็นจะขายไม่ได้รอบคุณหลวงเมื่อคุณอุ่นเธออนให้ฉันเธอบอกว่าอยากจะให้บ้านนี้ตกไปเป็นของประภัยฉันขายไปเธอจะได้โกรธฉันตายนี่แม่พรอยังกลัวคุณอุ่นอยู่อีกหรือก็ยังคล้่งอยู่มากทีเดียวละ่ะคุณหลวงเล่าฉันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันเวลาเธอตาเขียวขึนมาฉันกระใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักที ออาคุณอุ่นนี่เธอหาเวนมาให้แกแม่พลอยแท้ๆทีเดียวคุณหลวงอย่ายไปว่าเธอเลยเธอก็เจตนาดีว่าแต่ว่าฉันจะทำอย่างไรกับบ้านหลังนี้เท่านั้นละ่ะนั่นสิเช่าก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีแต่ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้ฉันว่าฉันจะทำเสียให้ดีแล้วก็หาคนเฝ้าก็ดีรอก แต่จะเสียสตางค์มากเท่านั้นก็จะทำยังไงได้ล่ะคุณหลวงถ้าทิ้งไว้ก็จะยิ่งเสียหายใหญ่ว่าแต่ฉันจะให้ใครเป็นคนคอยดูเวลาซ่อมเวลาทำคุณหลวงจะดูให้ฉันได้ไหมเมื่อแม่พร้อยไม่มีใครจริงๆฉันก็ต้องดูให้แต่เสร็จแล้วจะให้ใครเฝ้าล่ะพวงเขาก็ยังอยู่ทางฝ่ายเราหาคนที่ไว้ใจได้ไปช่วยเฝ้าบ้านก็เห็นจะพอ แล้วก็มีคนดูแลอย่าให้กลับโรคไปอีกฉันกลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นละว่าพอซ่อมเสร็จทาเสร็จคนที่ออกไปแล้วก็จะกลับมาใหม่คุณชิดใช่ไหมพอเพิ่มพยักหน้าเมียเขาก็ยังอยู่ที่นั่นทั้งคนพอเห็นแม่พลอยสนใจเขาก็อาจจะกลับมาอยู่แล้วอย่างนี้แม่พลอยจะทำยังไงหฮ้จะทำอย่างไรล่ะคุณหลวง จะทำอย่างไรดีฉันไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยเลยพอเพิ่มกันั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าจะ่เพิ่งไปคิดถึงเขาแต่ตอนนี้เลยเราดูดูไปก่อนเขาอาจจะไม่มาก็ได้แต่ถ้ามาจริงก็เอาไว้เป็นภาระฉันเองแล้วคุณหลวงจะทำอย่างไรเออนะ่าไว้ดูกันไปก็แล้วกันฉันก็นักเลงเหมือนกันหนีนาะ ทำประกาศของพ่อเพิ่มว่าตนก็เป็นนักเลงทําให้พลอยอดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้หัวเราะพ่อเพิ่มซะแล้วพลอยก็รู้สึกสบายใจขึ้นเรื่องที่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ดูจะเล็กลงตั้งแต่นั้นมาพลอยก็เริ่มซ่อมและทําความสะอาดบ้านคลองบางหลวงให้คงสภาพเดิมโดยมีพ่อเพิ่มเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยดูแลให้เสมอเมื่อว่างพ่อเพิ่มก็จะข้ามฟากไปดูให้บางทีก็ถึงกับนอนค้างที่นั่น เห็นสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำก็นําเรื่องมาปรึกษาหารือกับพลอยทุกครั้งไปพ่อเพิ่มเป็นคนที่ไม่สนใจแยแสต่อเงินของตัวมีมากก็ใช้มากไม่มีก็ไม่ใช้และการใช้เงินของพ่อเพิ่มก็เป็นไปโดยปราศจากความระมัดระวังพ่อเพิ่มเป็นคนที่ไม่เคยคิดเป็นชีรายได้รายจ่ายของตนเองแม้แต่จะนึกถึงก็ไม่เคย แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินของผู้อื่นอย่างเช่นในกรณีบุรณะบ้านคลองบางหลวงซึ่งพลอยเป็นผู้ออกเงินพาอเพิ่มก็กลับกลายเป็นคนที่ระมัดระวังและก็มีความละเอียดถี่ถ้วนอย่างน่าอัศจรรย์เอาใจใส่กับเงินที่พลอยจะต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์คอยระมัดระวังอย่างเข้มงวดมิให้เงินของน้องสาวรั่วไหลเมื่อจ่ายไปเท่าไหร่พอเพิ่มก็คอยดูให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าจนพลอยนึกเลื่อมใส ฉันไม่นึกเลยว่าคุณหลวงจะระมัดระวังเรื่องเงินถึงเพียงนี้ปาดนี้คุณหลวงมีรวยกว่าที่ฉันรู้ไปแล้วหรือนี่พอเพิ่มหัวรอไม่จริงหรอกแม่พลอยฉันอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นไม่เคยรวยกับเขาสักทีทาไมเล่าคุณหลวงคุณหลวงคิดเงินราวกับพ่อค้าน่าจะร่ํารวยไม่แพ้คนอื่นฉันก็คิดเป็นแต่เงินของคนอื่นเขาเท่านั้นแหละยิ่งเป็นเงินของแม่พลอยที่เป็นน้องฉันก็ต้องระมัดระวังมาก เงินของฉันเองมันก็ไปอีกเรื่องหนึง่งไม่รู้มันหายไปไหนหมดก็เลยขี้เกียจดูเองให้เมียเขาดูถึงได้พอมีพอกินพอใช้อยู่ทุกวันนี้เรื่องแบบนี้ผู้หญิงเขาเก่งกว่าเราแล้วเขาให้คุณหลวงใช้บ้างหรือเปล่าเขาก็จ่ายให้เป็นรายวันพอเพิ่มตอบหน้าจาเฉยพลอยก็ถามว่าเมียให้วันละเท่าไหร่พอเพิ่มบอกว่าวันละสลึงยังดีซะอีกนะแต่ก่อน เขาให้เวลาเฟื้องเดียวเท่านั้นละ่ะพลอยฟังแล้วก็หัวเราะงอหายเมื่อพ่อเพิ่มขยายความลับให้ฟังว่าถูกภรรยาควบคุมอย่างไรและพ่อเพิ่มเองก็เห็นว่าเรื่องที่ตัวเล่าให้น้องสาวฟังนั้นเป็นเรื่องที่ขบขันอยู่ไม่น้อยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่จ่ายเป็นรายวันฉันไม่ค่อยจะกลับบ้านแต่บางทีฉันก็ไม่กลับอยู่นั่นเอง การซ่อมบ้านคองบางหลวงดำเนินไปเรื่อยๆจนใกล้จะเสร็จลงวันหนึ่งพอเพิ่มก็มาหาพลอยแล้วก็บอกว่าฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดทีเดียวคุณชิดกลับมาแล้วละแม่พลอยกลับมาทำไมแล้วคุณหลวงพบบ้างหรือเปล่าฉันยังไม่ได้เจอเองล็อกแต่พวงเขาบอกว่าคุณชิดกลับมาเมื่อวันซืนพอเห็นบ้านช่องสะอาดสะอา้านแล้วก็ซักว่าใครเป็นคนทา ักอะไรต่ออะไรจิปาเถะพอรู้ว่าแม่พลอยเป็นเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขาจะกลับมาอยู่อีกในเร็วๆนี้ลำพังคุณชิดคนเดียวฉันไม่ว่าอะไรจริงๆนะคุณหลวงเพื่อถึงอย่างไรเธอก็เป็นลูกเจ้าคุณพ่อเธอคิดจะกลับมาอยู่บ้านก็ถูกแล้วแต่ที่ฉันกลัวน่ะคือพวกพ้องของเธอกลัวจะตามเข้ามาเกะกะกับคนในบ้านพอเพลิงก็เห็นพ้องต้องกันกับพลอยนะคะ และคุณหลวงจะกันอย่างไรได้พลอยพูดอย่างไม่วางใจเมื่อพ่อเพิ่มบอกว่าอยากจะหาทางกันเอาไว้ก่อนฉันว่าฉันจะไปอยู่ที่บ้านนั้นสักพักหนึ่งมีเรื่องมีราวอะไรจะได้พูดจากันได้จากนั้นค่ะพ่อเพิ่มก็หายหน้าไปประมาณเดือนเสร็จเศษนะคะแล้ววันหนึ่งพ่อเพิ่มก็กลับมาบอกพลอยว่าแม่พลอยเรื่องคุณชิดเห็นจะเป็นอันเรียบร้อยไปที ฉันพบกับเธอแล้วก็พูดจาตกลงกันเป็นที่เข้าใจแล้วพลอยก็สงสัยถามว่าตกลงกันว่าอย่างไงนะคะคือดูแล้วไม่น่าจะตกลงกันได้ง่ายง่ายพอเพิ่มก็เล่าให้ฟังว่าฉันก็บอกเธอว่าถ้าจะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ลำพังแต่ตัวก็ได้ทางเราไม่ขัดข้องแต่เธอจะต้องไม่ให้พวกพ้อมาเกะกะนอกจากนั้นฉันก็ยังวางระเบียบเอาไว้ยุ้งยุ้ยิ้มยิ้ม จนเธอแทบจะอยู่ไม่ได้เอาทีเดียวเอา้าแล้วคุณชิดเธอจะไปยอมให้ง่ายๆหรือคุณหลวงพรอยก็แหม่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะคะว่าคนแบบคุณชิดเนี่ยจะไปยอมอะไรหรือว่ายอมใครง่ายๆพอเพิ่มก็บอกว่าตอนแรกคุณชิดก็ทำท่าจะไม่ยอมเหมือนกันแต่ทีนี้พ่อเพิ่มเนี่ยไม่ได้ไปค้างบ้านนั้นคนเดียวนะคะ ขนเอาพวกพ้องจากบางลำพูไปด้วยหลายคนบอกว่ามือดีๆทั้งนั้นพวกพ้องอะไรกันคุณหลวงแล้วจะไปทําอะไรคุณชิดได้เอาก็ฉันบอกแม่พร้อยแล้วนี่นาะว่าฉันกันักเลงเหมือนกันเด็กๆที่ฉันพาไปมันก็เคยพึ่งพาอาศัยฉันมาฉันเรียกใช้สอยได้บอกให้ตีเป็นตีบอกให้ฟันเป็นฟันคุณชิดเห็นเข้าก็คงจะรู้ตัวไม่กล้ามายุ่มยามกับฉันหรอก ได้ ล, ละดูคุณหลวงสิพูดกันดีๆก็ไม่ได้ต้องหอบเอานัาเกเรียนไปขู่เข้าถึงฟ้าข้างโ น, น้นก็คนอย่างคุณชิดนั้นพูดกันดีๆฟังรู้เรื่องเสียเมื่อไรแล้วไม่พลอยการทําดีต่อคนพานอย่างที่แม่พลอยชอบทํานั้นมันก็ดีอยู่รอกแต่ฉันเห็นว่ามันเปลืองเวลาบางทีก็เปลืองเงินสู่วิธีของฉันก็ไม่ได้ใครดีมาเราก็ดีตอบแต่ถ้าพานมาเราก็พานตอบให้ถึงที่ เข้าใจกันได้เร็วพี่ลึกละไปอยู่คลองบางหลวงคราวนี้ฉันปราบคุณชิดไปเสียเรียบร้อยเลยทีเดียวจนเมียเขาเองยังเลื่อมใสคุณหลวงนี่เก่งขึ้นทุกวันไหนลองว่าไปทีหรือว่าคุณหลวงปราบคุณชิดอย่างไรบ้างก็คืนวันหนึ่งเธอเมาขึ้นมาอรารวาดกับฉันบนตึกพูดจ้ายังไงก็ไม่ฟังอรารวาใหญ่นึกว่าจะทากับฉันได้อย่างที่ทากับคุณอุ่นบอกกับฉันว่าให้มาบอกแม่พลอย ให้เอาเงินไปให้เขาไม่อย่างนั้นเขาจะเผาบ้านซะแล้วคุณหลวงทำยังไงอ่ะปล่อยชักสนุกก็เมื่อพูดกันดีๆแล้วไม่ฟังฉันก็ปล่อยให้เขาอารวาสไปคนเดียวก่อนส่วนฉันก็เอาเหล้ามานั่งกินบ้างแล้วก็เติมไปเรื่อยๆตั้งใจว่าจะให้ทันคุณชิดจะได้อารวาสกันสองคนให้สนุกสักทีแล้วทันไม่ล่าคุณหลวงที่ไหนได้ทันจนเกินหน้าคุณชิดไปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวละ่ะพอเมาได้ที่ ฉันก็ท้าคุณชิดให้มาเผาบ้านแข่งกันดูทีหรือว่าใครมันจะเผาเก่งกว่ากันฉันก็ไปหยิบฟืนหยิบน้ำมันกา๊าซมาวางทำท่าว่าจะเผาจริงๆแล้วยังไงก็ธรรมดาคนเมานั่นนะ่ะแม่พลอยถ้าเห็นใครเมากว่าก็จะสางเมาเป็นคนดีทันทีทีนี้พอคุณชิดเห็นว่าฉันเมากว่าเธอก็เลยหายเมากลับเข้ามาพะเนาพะนอห้ามปรามฉันซะอีกกลัวว่าฉันจะเผาบ้านเอาจริงๆ เป็นนั้นบ้าพอเพิ่มก็ทําได้สําเร็จนะคะแม่พลอยฟังด้วยความเลื่อมใสค่ะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ฉันถามอะไรจริงๆสักอย่างเถิดคุณหลวงถ้าเผื่อคุณชิดเธอข่มไม่ลงเห็นคุณหลวงเมากว่าแล้วไม่เข้าห้ามปรามคุณหลวงจะทํายังไงเอไม่รู้สิฮะฉันก็คงจะเผาบ้านเสียจริงๆกระมังแม่พลอยเพราะตอนนั้นมันก็เมาจริงๆเสียด้วยผู้โถเอ๊ย พลอยก็อุทานเพราะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะพ่อเพิ่มก็เลยเล่าต่อว่าตั้งแต่นั้นมาคุณชิดก็ดูท่าจะเกรงอกเกรงใจพ่อเพิ่มขึ้นอีกมากพ่อเพิ่มจะพูดจาว่ากล่าวอย่างไรก็เชื่อฟังเพราะเห็นฝีมือกันเสียแล้วนะคะคล้ายๆกับว่าเห็นฤทธิ์เห็นเดชนะคะแล้วก็จะไปตามพวกพ้องมาขู่พ่อเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กๆของพ่อเพิ่มที่ไปอยู่ด้วยก็คอยคุมเชิงอยู่ คือถ้าเกิดว่าเป็นพ่อเพิ่มคนเดียวนี่ก็คงไม่ไหวแต่ทีนี้ปรากฏว่าพ่อเพิ่มมีพวกด้วยไงคะคุณชิดก็เลยไม่กล้าหนักเข้าเห็นไม่ได้ประโยชน์ก็มาลาบอกว่าจะไปบ้านนอกไม่มีกำหนดกลับแล้วก็สั่งพ่อเพิ่มให้ฝากพวงกับแม่พลอยเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูก็ยังดีนะคะยังอุตส่าห์คิดถึงเมียถึงไม่เลี้ยงก็ ก็ยังนึกเป็นห่วงแล้วก็ฝากฝังกับพลอยโล่งอกไปทีพลอยก็พูดด้วยความรู้สึกจริงใจพอเพิ่มก็บอกว่าฉันก็โล่งอกเหมือนกันถ้าคุณชิดยังไม่ไปฉันก็เห็นจะต้องคุมเชิงกันไปเรื่อยๆลงท้ายฉันจะกลายเป็นคุณชิดไปอีกคนก็ไม่รู้เพราะว่าต้องเมาปราบกันบ่อยเหลือเกิน ตั้งแต่นั้นมาพลอยก็นึกถึงบ้านครองบางหลวงด้วยความสุขความสบายใจเหมือนกับว่าได้ทำหน้าที่ให้แก่ใครคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันมานานแต่มาตกอับลงแล้วก็จัดการช่วยเหลือต่ออายุให้ยืนยาวออกไปอีกได้สำเร็จพอมีเวลาว่างพลอยก็มักจะชวนคุณเชยตาอน้นแล้วก็ประไพนั่งเรือไปเที่ยวที่บ้านเสมอ และถ้าไปครั้งใดก็มักจะอยู่เสียทั้งวันกินข้าวที่นั่นอาบน้ำที่นั่นด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจว่าตนได้กลับบ้านและบ้านนั้นเป็นของตนโดยสมบูรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ที่อาจจะยกให้บุตรหลานได้สืบกระูลกันต่อไปเหมือนกับที่ได้ตกทอดมาให้แก่กันตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดเมื่อพลอยเขียนจดหมายไปเล่าให้ตาอ๊อดฟัง เกี่ยวกับเรื่องบ้านคลองบางหลวงแต่ออส ก, ก็ตอบกลับมาว่าลูกดีใจมากที่แม่ได้ซ่อมบ้านที่คลองบางหลวงแล้วเรียบร้อยและบ้านนั้นตกมาเป็นของแม่ลูกไม่เคยไปที่บ้านนั้นเลยเพราะเมื่อลูกยังอยู่แม่ไม่เคยพาไปแต่ลูกยังจําได้ดีถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบ้านนั้นที่แม่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆจนรู้สึกเหมือนกับว่าลูกเคยอยู่ที่บ้านนั้นมาด้วยตนเอง ที่ลูกดีใจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่ฟังจากจดหมายของแม่รู้สึกว่าแม่มีความสุขมากที่ได้เข้าไปจัดการบ้านนี้แม่มีความสุขทีไรลูกก็ดีใจด้วยทุกครั้งไปโรงเรียนหยุดคราวนี้ลูกไปเยี่ยมพี่อั้นที่ปารีสเพราวะว่าลูกชวนให้พี่อั้นข้ามมาอังกฤษแต่เขาไม่มาลูกก็เลยต้องข้ามไปเยี่ยมมาเมืองนอกด้วยกันสองคนเท่านี้ จะไปทิ้งกันเสียก็ดูกะไรอยู่พี่อันเขาเขียนจดหมายมาถึงแม่บ้างหรือเปล่าลูกก็ไม่ทราบแต่ น, น, นานๆเขาเขียนมาถึงลูกทีหนึ่งดูชักจะฟุ้งซ่านอย่างไรชอบกลลูกก็เลยตกลงใจจะข้ามไปฝรั่งเศสเพื่อดึงดึงกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวพี่อันจะลอยหายไปซะจดหมายของตาอดฉบับนี้นี่เขียนได้ตรงกับใจของพรอยพอดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตาอันเพราะว่า จดหมายจากตาอั้นฉบับหนึ่งทําให้พลอยรู้สึกงงงงไม่ค่อยเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตาอัน้นตาอั้นเขียนว่าลูกได้มาเมืองนอกนานพอที่จะเห็นบ้านเมืองและนิสัยใจคอของคนทางนี้ได้เมื่อได้เห็นแล้วบางทีก็ท้อถอยบางทีก็มีกําลังใจเพราะบ้านเมืองและคนของเขาเจริญกว่าของเรามาก เปรียบกันราวฟ้ากับดินเลยทีเดียวลูกเห็นของเขาแล้วก็มาคิดดูว่าเพราะเหตุใดเขาจึงเจริญมากกว่าของเรานะักลูกเห็นว่าเหตุที่ฝรั่งเขาเจริญเร็วนั้นเพราะเขาเปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนมีเสียงในการปกครองบ้านเมืองที่ฝรั่งเศสนี้ราษฎรทุกคนสนใจกับกิจการบ้านเมืองมากไปนั่งตามร้านกาแฟาที่ไหนก็เห็นคนคุยกันแต่เรื่องนี้มิฉะนั้น ก็อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองแม้แต่นักเกรียนก็พูดกันถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอที่นี่เขาให้รัษดรเลือกตัวแทนเข้าไปนั่งประชุมปรึกษาราชการแล้วก็ตั้งรัฐบาลมาปกครองประเทศอีกต่อหนึ่งรัฐบาลไหนทำไม่ดีเขาก็ติเตียนได้ถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องออกคนที่ฝรั่งเศสเขาเสมอกันหมดไม่มีเจ้าไม่มีไพรไม่มีพระเจ้าแผ่นดิน ใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายทุกคนเขาสนใจอยากให้บ้านเมืองเจริญเมื่อเขามีโอกาสที่จะแสดงความคิดได้และใช้ความสามารถของเขาได้บ้านเมืองของเขาจึงเจริญทันใจรัษดรซึ่งผิดกับของเราเพราะการปกครองของเราไม่เป็นเช่นนั้นฝรั่งที่เขาเรียนหนังสือกับลูกเขาถามถึงเรื่องการปกครองในเมืองไทยบ่อยๆแต่ลูกก็เฉยเสียเพราะว่าของเรายังล้าหลังอยู่มากพูดไป ก็อายเขาเปล่าๆในส่วนของคุณเปรมเนี่ยเมื่อได้อ่านจดหมายของตาอั้นก็รู้สึกว่าพอใจมากนะคะเห็นไหมล่ะแม่พลอยส่งเด็กไปเรียนเมืองนอกนี่มันดีอย่างนี้เองเ้าสอนให้เด็กมีปัญญาคิดอ่านอย่างคนฉลาดถ้าเรียนเมืองไทยป่านนี้อั้นก็ยังไม่มีความคิดถึงเพียงนี้เลยหนังสือฉบับนี้ฉันจะต้องเอาไปให้เพื่อนๆที่กรมอ่าน จีหรือคุณเปรมเด็กกําลังหนุ่มมีความคิดแปลกๆเรื่องรู้ไปถึงผู้ใหญ่เข้าจะไม่ดีกระมังเรื่องอะไรเรื่องการปกครองเมืองนอกเนี่ยหรือก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่กลับจะดีซะอีกฉันได้ยินในหลวงท่านรับสั่งถึงเรื่องเหล่านี้ในโต๊ะเสวยเสมอเหมือนกับว่าท่านมีพระประสงค์จะสอนให้คนรู้ไว้แต่ท่านรับสั่งว่าเรื่องนี้ต้องสอนกันไปอีกนาน ทำหุนหันพ ล, ลันแล่นไม่ได้อาจถึงเสียหายแก่บ้านเมืองได้อย่างเรื่องเมืองดูสิทานีที่วางพญาไทยนั่นคนที่ไม่รู้ก็พูดกับเองไง่ายๆว่าในหลวงท่านเล่นบ้านตุ๊กตาเหมือนเด็กๆแต่พวกเราที่อยู่ใกล้ชิดรู้ดีว่าท่านมีพระประสงค์จะสอนให้คนรู้ถึงเรื่องการปกครองอย่างที่เขาทํากันที่เมืองนอกก็ตามใจคุณเปรมฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักหรอกหนังสือตาอั้นฉันอ่านไม่เข้าใจ สู้อ่านหนังสือตออดไม่ได้แม่พลอยรักลูกคนไหนก็เข้าใจแต่คนนั้นออดแกก็ดีหรอกนะแต่ฉันเห็นว่าแกรักความสบายมากไปสู้อันไม่ได้โทคุณเปรมมาหาความฉันลูกๆเนี่ยฉันก็รักเท่ากันทั้งนั้นละ่ะไม่เคยลำเอียงเลยแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันก็พูดไปคุณเปรมเสอีกมักจะลำเอียงเข้าข้างแต่อันไม่เข้าเรื่อง เราอยามาเถียงกันหน่อยเลยแม่พ้อยชะล้อเล่นน่ะเด็กมันก็ลูกเราทั้งสองคนนั่นแหละเอาเข้าจริงฉันก็รักเท่ากันหมดพร้อยคิดถึงความเจริญต่างๆที่ตาอั้นพูดมาในจดหมายแล้วก็รู้สึกหนักใจเพราะตะอั้นบ่นว่าเมืองไทยล้าหลังเจริญไม่พอทั้งที่ความจริงเมืองไทยเท่าที่พลอยเห็นนั้นเจริญออกไปไกลกว่าแต่ก่อนมากมาย จเจริญออกไปจนพลอยแทบจะก้าวตามไปไม่ทันจิตใจของคนก็ดีวิธีที่จะพูดจาปฏิบัติตนก็ดีพลอยสังเกตดูเห็นว่าละหลวมกว่าแต่ก่อนไม่มีใครค่อยถือประเพณีเคร่งครัดอย่างแต่ก่อนอย่างผู้หญิงสาวสาวสมัยใหม่รู้สึกว่าจะเก่งในสายตาของพลอยจะพูดจาสิ่งใดหรือว่ากระทาตนโดยทั่วไปก็สอให้พลอยเห็นว่าขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะในการติดต่อกับผู้ชายแล้วพลอยก็ยิ่งเห็นว่าปล่อยตัวกระจนเกินควรอย่างในงานฤดูหนาวซึ่งเดี๋ยวนี้ย้อนมามีที่สวนจิตระดาปลอยก็เห็นผู้หญิงสา ว, สาวเดินเที่ยวกับผู้ชายหนุ่มเป็นกลุ่มๆพูดจาหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ไปด้วยกันโดยอิสระเสรีไม่มีผู้ใหญ่คอยควบคุมอย่างแต่ก่อนพลอยได้แต่นิ่งคิดอยู่ในใจ ไม่กล้าที่จะพูดให้ใครได้ยินกลัวจะถูกหาว่าล้าสมัยแต่บางครั้งพลอยก็อดไม่ได้ต้องระบายความในใจออกมาให้ช้อยฟังเพราะช้อยเป็นคนเดียวที่พลอยเห็นว่าเข้าใจตนหลังจากได้ไปเที่ยวงานฤดูหนาวกับคุณเปรมที่สวนจิตมาคืนหนึ่งก็พอดีช้อยออกมาหาพลอยจากในวังตามปกติช้อยสังเกตหรือเปล่าว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน ฮะว่าอย่างไงนะพลอยไม่เหมือนแต่ก่อนยังไงฉันก็เห็นเขามีหัวเดียวสองแขนสองขาเหมือนแต่ก่อนหรือไม่พลอยไปเห็นคนแปลกประหลาดที่ไหนมาไม่ใช่อย่างนั้นชอยฉันหมายถึงว่าคนเดี๋ยวนี้เขาทำตัวไม่เหมือนเมื่อครั้งสมัยเรายังสาวงั้นเหรอฉันเป็นคนหูป่าตาเถื่อนอยู่แต่ในวังไหนว่าไปที่ว่าเขาแปลกยังไง ฉันว่าผู้หญิงสมัยนี้ทําตัวเหมือนแหม่มผู้ชายพายเรือเขาก็ไม่กระดากดูกล้า ก, กัเหลือเกินสมัยเราเห็นผู้ชายก็มีแต่คิดจะวิ่งหนีสมัยนี้ฉันว่าดูเข้าเฉยเฉยไม่กระดากไม่กลัวฉันดูดูแล้วรู้สึกใจหายใจควา้าทีเดียวโอ้ยแม่พร้อยก็ทําเป็นขวัญอ่อนไปได้สมัยมันเปลี่ยนไปบ้านเมืองเปลี่ยนไปศา ส, สนาเร็วลงทุกวัน ใจคนมันก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างถึงสมัยเราก็เถอะคนที่เขาทำท่าเหมือนกับแหม่มก็มีถมไปพวกคุณหญิงคุณนายเมียทูตที่เขาเคยไปอยู่เมืองนอกกลับมาถึงเมืองไทยพอมีงานรับเจ้าฝรั่งที่ไรเขาออกแสดงแหม่มกันออกจำไม่ได้เสียแล้วหรือมันไม่เหมือนกันนี่ช้อยสมัยนั้นใครก็ตามผัวไปเมืองนอก เขาก็ไปไว้ผมนุ่งกระโปรงแล้วก็แต่งแหม่มกันที่โน่นแต่พอกลับมาก็รีบตัดผมสั้นแล้วก็ย้อมฟันดำให้เหมือนคนอื่นแล้วกิริยามารยาศก็ยังเป็นไทยจะออกแหม่มก็เฉพาะรับเจ้าฝรั่งอย่างชอยว่าแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะเขาเป็นแหม่มกันทั้งกิริยามารยาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่กับคนไทยด้วยกันเรามันแก่เสียแล้วละพลอยเอ้ยตาเราถึงมองเห็นไปเอง ฉันบอกคลก็ยังเป็นคนอยู่นั่นและจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็แต่ภายนอกอย่างรุ่นเราผู้ใหญ่ก็เคยมองค้อนมาแล้วเหมือนกันแม่พ้อยจาไม่ได้หรือไม่ถึงอย่างนั้นหลอกช้อยพร้อยอาจจะไม่ถึงแต่ฉันมันถึงฉันรู้ตัวดีว่ากระบวนเก่งกระบวนขืนโลกอยากจะดันไปให้มันแปลกกว่าคนอื่นแล้วไม่มีใครเกินฉะละ่ะแต่มันก็ไปได้พักเดียวอายุมากเข้ามันก็ต้องหยุด เดี๋ยวนี้ซะอีกพรอยยังเกินไปกว่าฉันที่ไว้ผมยาวฉันยังตัดสั้นอยู่แค่นี้ถ้าฉันเกิดเดี๋ยวนี้ก็คงเหมือนกันนั่นแหละชอยไม่มีลูกสาวพูดอะไรก็พูดได้ฉันเป็นห่วงประภัยเท่านั้นเองและตัวอยากแตจริตรไปมีผัวมีลูกเข้าทำไมละ่ะชอยพูดเป็นคำสุดท้ายจากนั้นพรอยก็ไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไป